งั้นไม่ค่อยกลัวว่าจะมีใครมาหลอกชาวโศกนะแต่กลัวว่าชาวโศกเนี่ยดูท่าทางเอาแน่งานนี้ไปแน่นะแต่ตทุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นอะไรค่อยแน่ย่างเก่าแล้วนะคือก็กลับมาเป็นตัวของตัวอย่างเก่างั้นประเด็นนี้จะไปจะมีใครมาหลอกเราเนี่ยคิดว่าคงไม่มีใครมาหลอกพวกเราได้ง่ายๆ <vallahi> ก็ในภาวะที่พ่อครูบําเพ็ญ บ่มีเยอะแยะนะยาวนานพวกเราเอง ก, ก็ก็มาเป็นผู้ศึกษากันนะผิดบ้างถูกบ้างอย่างที่ว่าอะไรที่จะเป็นทิศทางในการปฏิบัติเนี่ยัตมาเท่าที่ได้ลองทบทวนรวบรวมดูนะอย่างวันนั้นพูดถึงเรื่องค้างเอาไว้เรื่องของ must h a v นะซึ่งกระแปลตามตามตัว คำว่ามัตแทบเนี่ยแปลว่ามัตแปลว่าต้อง have ก็มีพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะดูมันขังขึ้นเยอะเลยนะ must have เนี่ยแต่พูดว่าไอ้เรื่องที่จำเป็นต้องมีเนี่ยถือว่ามันมันไม่ค่อยเขืองเท่าไหร่เลยนะต้อมาฟังภาษาอังกฤษคํานี้ทั้งนานว่าไอ้มัตแทบของเขานี่มันอะไรกันนะพูดกันไปพูดกันมาคำจริงแล้วมันก็ง่ายๆแต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่จะมานํามา บอกเล่าเนี่ยนำมาเป็นหัวข้อที่จะยกขึ้นมาเนี่ยอาจจะอาจจะมีมากกว่านี้นะก็ในชั่วโมงแรกธรรมาจะนําเสนอเฉพาะประเด็นที่ธรรมาเห็นว่าสําคัญหรือเห็นว่าตัวธรรมาเองนะตามภูมิที่ธรรมมาเห็นว่าสําคัญเนี่ยแต่พวกเราจะมีเสริมเพิ่มเติมอะไรก็ในชั่วโมงที่2ก็ลองวิเมีขห์วิจัยหรือใครจะสรุปหรือได้ข้อคิดอะไรก็ลองว่ากันดูในชั่วโมงที่2 คืเอเราเรื่องอันนี้เนี่ยเอาเฉพาะมันเป็นประเด็นที่ที่คิดว่าน่าจะได้เน้นนะงั้นก็จะด้านเลยพูดถึงว่ามันต้องมีศีลอันนี้ไม่ต้องไปพูดแล้วในยากลางบ้านเราพูดกันมาสามสิบปีแล้วนะรือต้องกินบังสวิรัติอย่างนี้กไม่ต้องไปพูดกันแล้วนะหรือต้องมีศรัทธาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าระดับนิสิตนะวนอบอเนี่ยเอาคงจะ ก็คงก็คงจะไม่ต้องไปคิดว่าไม่ต้องไปเสียเวลาทําความเข้าใจกันนะเขาที่แล้วได้พูดค้างเรื่องเรื่องของการอ่านใจนะเรื่องของการอ่านใจตัวเองซึ่งอาตมาคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่สาคัญนะเพราะสิ่งที่พ่อครูพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของปรมัตธรรมร้วนเป็นเรื่องที่เข้าไปหาจิตที่สะอาดจิตที่บริสุทธิ์ แม่กิเลสแลก็กศกิเลสน้อยก็ไม่เหลือนะใช้ศัพภาษาทั้งรูปประจิตอรูประจิตรูปประชานรูปประชานอะไรต่าง ๆ, ๆนานาก็รล้วนแล้วแต่เป็นสภาวะจิตที่ละเอียดละออลึกซึ้งสูงสุดอะไรต่างๆนานาแต่แต่ตมาก็มองเห็นว่าสิ่งที่ลึกซึ้งสูงสุดเนี่ยถ้าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะเป็นพื้นพื้นฐานเบื้องต้นใจเราไม่รู้วันหนึ่งเรากลับมาอ่านใจเรากี่ครั้ง พอมาคเคยสมัยก่อนเนี่ยพาพวกเราเคยบาเพ็ญตบะนะบำเป็นตบะวันนึงทําวัดสามเวลาเลยนะตื่นแต่ตีสองมาทําวัดเลยนะกลางวันก็ตอนเย็นก็มีการให้บันทึกแล้วก็เอาบันทึกมาอ่านสู่กันฟังบางคนก็ไม่รู้จะบันทึกอะไรทั้งวันเนี่ยก็พอสรุปสาเหตุได้ว่าคนที่เขาไม่สามารถบันทึกได้เนี่ย ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาวันนึงมันเขาจับจิตของเขาไม่ได้นะว่าจิตเขาไปไหนมาไหนก็ไม่รู้เขาก็เลยไม่เมื่อเมื่ออ่านจิตไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะบันทึกอะไรเพราะถ้าบันทึกก็มีแค่แค่กินข้าวเข้าห้องน้ําทําวัดเช้าอย่างนี้อแค่นี้ไม่ต้องบันทึกก็ได้เพราะมีทุกวันอยู่แล้วใช่ไมแต่แต่ภาวะจิตที่เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าเขาอ่านไม่เป็นจับจิตไม่ได้ ก็ไม่รู้เรื่องจะบันทึกได้อย่างไรอย่างนัน้นมาคิดว่าอันนี้เป็นพื้นฐานของการที่จะเข้าหาโลกุตระละเจ้าก็หาเข้าหาปรามัต ธ, ธรรมหรือที่พระครูใช้ภาษาบาลีว่าอันดับแรกมัต้องรู้กายในกายก่อนเนี่ยที่ว่าเป็นประตูของโลกุตตะละเนี่ยคือมันต้องมารู้กายในก่อนนะเมื่อมีภาษาเนี่ยเราเข้ามารู้จิตของเรารู้เวทนาของเราอย่างไร คิดว่าเป็นพื้นฐานมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อครูได้ท่านพูดเป็นไปตามลำดับะนะเป็นไปตามลำดับแล้วก็ง่ายๆายอัตามาเลยเอามาเป็นหัวข้อเคยลงในสดจากปัจฉาอ่านใจให้เป็นทำใจให้ได้เป็นอย่างไรคืออตามาก็พยายาม คิดถึงสื่อแล้วว่าจะจะอธิบายยังไงวิธีอ่านใจอธิบายยังไงวิธีทำใจนะก็คิดมุมนั้นทิกมุมนี้อะไรเนี่ยก็แต่ยากเหมือนกันนะกว่าจะได้เจอจังหวะ า, าหมาะที่พ่อครูอธิบายได้ชัดเจนลองลองฟังดูนะ ตอนนีบันั้นที่ที่พ่อครูพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นเหตุการณ์ที่เรายังชุมนุมกันอยู่นะวันนี้ต้องขอบคุณพวกเราจริงๆที่มากันมากมายทังคมไทยต้องการภารกิจนี้ต้องการมาสแสดงอำนาจปฏิชาธิปไตยของประชาชนซึ่งในพุทธสอนทิบไตยสามจะใช้ร่วมกับคำว่าสติในมูลสูตรหนึ่งมีฉันทาเป็นมูลสองมีมนาติการเป็นแดนเกิด เราหรือใครก็คงเคยทำกันมานะว่าการทำใจเนี่ยเราหรือใครก็เคยทำกันมาเช่นของเสียไปแล้วเราก็วาง เ, เถอะทำใจเถอะเป็นต้ น, นหรือหมอบอกกับญาติว่าญาติของคุณเนี่ยไม่รอดแน่ให้ทำใจก็บอกญาติให้ทำใจถ้าเราทำเป็นเราก็ทำใจของเราไม่เศร้าก็ทำใจให้เราของเราไม่ให้ก็ต้องก็เทือน หากญาติเราตายจริงเราก็จะได้ไม่หนักไม่โศกเศร้าเราก็วางใจได้ไหมอันนี้ก็วิธีทำใจใช่ไหมจริงๆมันก็พื้นฐานทุกคนก็ได้ฝึกมาบ้างเหมือนกันแต่ก็มันน้อยมากอะ่ะใช่ไหมบางทีนา น, านๆถ้าปีติดปียี่สิปีญาติจะตายทกคนหนึ่งแล้วก็ฝึกทำใจตอนนั้นหรือบางคนโชคดีหน่อยเพราะครูไปเยี่ยมตอนก่อนจะตายไรไหนายไห น, ไห น, ไหนก็ฟังมาฟังมาก็เหมือนเหมือนกันหมดแล้วอ้าว คุณวางใจนะวางใจของคุณเนี่ยให้สบายที่สุดไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปขังวนอะไรแล้วนะแต่ต่อมาก็รู้สึกว่ามันมันเขาจะเขาเหมือ น, น, นเหมือนกับทั้งชีวิตของเขาอ่ะ <c oughs> มันไม่น่าจะมีโอกาสไ ด, ได้ได้ทำเพียงแค่ครั้งเดียวตอนก่อนจะตายเท่า น, นั้นเองนะแต่ตอนก่อนจะตายนั้นก็ไม่รู้ว่า วิบากกุศลอกุศลอะไรมันจะดได้หรือเปล่าแต่มันเป็นก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะบอกได้ตอนก่อนที่เขจะเสียชีวิตนั้นนะแต่จริงๆแล้วเราควรจะได้ฝึกก่อนใช่ไหมตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเอ๊ะเราเข้ามาดูทําใจของเราให้ดีที่สุดทําใจของเราให้สบายที่สุดนะไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตของคนเราไม่ไควรจะไปทําตอนคนตายอ่ะนะตอนที่รังสติแต่มันจะยากกำลังแข็งแรงตอนที่ มีภาษาเยอะแยะมีเรื่องราวมากมายเนี่ยเราเราก็น่าจะมีโอกาสที่เรียกว่าเออเร า, เาทำใจของเราเห็นใจของเร า, อ, า, อ, เราอ่านใจของเราบ้างหรื อ, อยังเวลาประชุมกันพวกเราเถียงกันขมวงโงเฉงหน้าดาหน้านแดงบางทีพวกครูก็แซว แ, แอ้วอา้อาวนะอ่านเวทนากันบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีกําลังแมมันเลยนะกาําลัง ไล่ต้นกันข้อมุมเลยพ่อครูก็จะมาแซวบางทีก็แซวว่าอ๋อดูเวทนากันบ้างหรือเปล่านะนะถ้าไม่ได้ดูเวทนาเราก็เป็นบุคคลที่น่าเวทนาไปเลสายตาของพรครูนะบางทีเรากําลังยึดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เนี่ยแต่จริงแล้วทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามักจะลืมนะที่พูดในว่าไอ้วันวันหนึ่งเนี่ยที่ตั้งโจทย์ได้ว่าวันวันหนึ่งนี่เรามีเวลาที่เข้ามาดูใจ เข้ามาทำใจองไรมันสบายนะปรับใจของเราเนี่ยได้กี่ครั้งซึ่งตัวครูบอกจริงๆแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานก็เราก็ทำการบ้างแล้วละ่ะนะการทำใจเป็นนี่แหละนะเป็นสิ่งที่สาคัญ น, นะก็วันนี้ในเอกสารที่ที่ให้เนี่ยคําจริงไม่ได้กเอกเอ สโลกอันเนี้ยพ่อครูออกไปตั้งนานแล้วนะสโลกอัฏฐะแห่งานาปนาสตินะอย่าเผลอใจอย่าห่างใจเันชาวโศกเนี้ยทำานาปนาสติอย่างไรก็ทำานาปนาสติทุกขณะนะที่มีผัสสะเกิดขึ้นเมื่อใดผัสสะความกระทบสัมผัสเกิดจะต้องรู้ให้ทันความเกิดนั้นอยู่ที่ใจ ถ้าความไม่สบายใจแผงเล็บโทรศะมูลจิตทุกขนาดอุบัติจะต้องจัดการไม่ให้มันมีก่อนอื่นไม่ว่ากรณีใดๆสโลกนี้ถ้าใครอยู่ดนโนโศกแลอยู่ปฐมโศกเนี่ยจะจำได้สโลกนี้ตอนเกิดขึ้นตอนกำลังสร้างปฐมโศกใหม่ๆนะตอนนั้นกำลังขมงโมงชงเฉงกันเละ่ะมีเรื่องมีราวอะไรเยอะแยะมากมายนะพรอครูก็เลยก็เลยให้สโล ก, กันนี้ออกมา ความไม่สบายใจโทสะมูรจิตทุกขนาดอุบัติจะ ต, ต้องจัดการไม่ให้มันมีก่อนอื่นไม่ว่ากรณีใดๆนะนี่ก็คือว่าทิ้งแรกที่เราต้องทําเลยคือว่าจัดการกับความไม่สบายใจก่อนแม้ความสบายใจโลภะมูลจิตทุกขนาดอุบัติก็อย่าหลงมัวเมาติดยึดเป็นอันขาดรู้ว่าใจบางคนสบายใจแล้วเอ๊ะวันนี้ได้ พวกนี้ไม่ได้มันก็ติดยึดมันก็มันก็จะพอติดอย่างนี้ปุ๊บมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันแต่จริงๆมันก็ไปตามเหตุการณนะ์อแต่มาอยู่กับพ่อครูนี่จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าจริงจริงพ่อครูเนี่ยท่านจะทําจิตให้สงบทําจิตให้ลึกยังไงเนี่ยท่านก็ทําได้แต่ท่านไม่มีเวลาเพื่อที่จะไปเสพสภาพจิต วิมุตต์ตสภาพจิตที่สบายนั้นเลยไม่แต่น้อยเวลาขึ้นภูผาแต่ละทีเนี่ยธรมะก็ลุ้นนะนะลุ้นแล้ววคูอยู่นานๆหน่อยเถอะจะได้รู้สึกว่ามันได้พักหน่อยอ่ะแต่พอครูวาจะการเรื่อเลี้ยเต็มรอนแล้วปุ๊บพบเราแตกกันดีแล้ ว, วครูก็ลงจากภูผาทันทีเลยไม่มีเวลาที่จะหาย ใ, ใจเอาโอโซนได้สบายสักหน่อยนึงเลยเนี่ยคือเวลาสาเราตัวท่านเองเนี่ยจะไม่มีเลยอยู่กับเรื่องที่พวกเราการรู้สึกกับปวดหัวไม่ต้องไปฟังเรื่องอะไรหรอก แค่เข้าในห้องทำงานของพ่อครูก็ไม่ไหวแล้วบางคนบอกมึนเลยนะออกมาเลยเนะี่ยพ่อครูดูทีวีทีวีเปิดตั้งสามสี่ช่องนะเราก็ยังทำคอมพิวเตอร์ไปด้วยอะไรไปด้วยเนะี่ยเรื่องนี้ท่านจะต้องรับรู้ศัพท์ภาษาเนะี่ยไม่ต้องไปพูดถึงว่าความสบายที่ท่านจะเกิดเนะี่ยท่านมีแต่ตัวที่ว่าจะทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติได้อย่างไรแต่สิ่งเหล่านี้ก็กตามตามฐานนะไม่ใช่เออ เราเอาบ้างนะถ้าเร า, เาบัางนะ้งมาว่าก็จะเพีย้ยนเหมือนกันนั่นแหละถ้ามันรับเรื่องเยอะยอะมากมายอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะแต่มันแต่ว่าครูก็อธิบายให้ฟังว่าหเห็นว่าจิตของจิตของคนเราเนี่ยมันเร็วมันไวมากกว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเยอะยๆนะแต่พวกเราทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอ้เรื่องนี้ชอบเราก็อยากจะอินอยู่กับเรื่องเนี้ยไม่อยากให้ใครมากวนสมาธิอยากจะเสพสบายหรือติดใจยอยู่กับเรื่องนี้นะ ไอ้เรื่องไหนไม่ชอบก็โอ้โหไปไกลๆไ ๆ, ๆนะแต่พ่อครูไม่ได้หยู่ด้วยความชอบหรือความไม่ชอบงั้นท่านก็อันไหนท่านจะใช้ประโยชน์ได้ท่านก็เอาฟังอันไหนไม่ใช้ประโยชน์ได้ท่านก็ปล่อยแล้วก็ไปอยู่ที่เรื่องอื่นนะงั้นจิตของท่านก็ทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านไม่ได้แช่อยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจมันไม่มันอะไรเวลาของเราฟังฤดูอะไรเนี่ยมันจะมีอันนี้เรื่องนี้อินเรื่องนี้มันเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้ไม่ชอบนะ ก็จะกินอาหารคนละอย่างกับพ่อครูนะพ่อครูท่านก็จะใช้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไเป็นประโยชน์องนั้นแม้ความสบายใจก็ไม่ไปหลงบมเมาติดยึดเป็นอันขาดรู้ว่าใจมีโลภะมีโทสะหรือไม่ขนาดใดคือเมื่อนั้นพ้นโมหะทําใจให้พ้นโทสะพ้นโลภะในขณะรู้ในขณะขณะที่รู้เสมอ นั่นคือผู้เดินลัดเข้าสู่นิพพานเส้นเดียวที่สร้างไวโดยบุคคลที่ชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะงั้นก็อันเนี้ยมาเรียกว่าสโลกอันเนี้ยให้ไวแล้วก็ดูเนื้อหาที่ว่าเอ๊ะเราจะเข้ามารู้ใจอ่านใจของเราได้ยังไงเนี่ยเราจะรู้ทันได้อย่างไรเนี่ยสโลกอันเนี้ยดูว่าครอบคลุมนะครอบคุมทั้งหมดที่เราจะ จะเข้ามาพยายามเฝ้ามองจิตของเราได้อย่างไรเข้ามาดูจิตของเราได้อย่างไรนะบางคนอาจจะขยันอ่านหนังสือนะบางคนโอ้โหอา่านไม่รู้ว่อาอ่านหนังสือพอาครูเนี่ยจะอ่านให้ได้หมดอา่านใได้มากแต่ว่าไม่มเวลาอ่านใจหรือเปล่าคันน่าเดกันนะถ้าอ่านแต่หนังสืออย่างเดียวแต่ไม่มีเวลาอ่านใจของตัวเองเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบเกิดความขุ่นมัวอะไรอย่างนี้นะมันก็จะเป็นอย่างที่ ลุงกับหลานทินิทานที่เขาเล่ากันนะเจ้าว่าลุงลุงอ่านหนังสืออะไรบอกอ่านหนังสือธรรมะนะรอบแรกลุงก็พอทนได้วิ่งมาถามอีกก็ชักงุนกิจแล้วรอบพี่สามหนังสือธรรมะคว้างหัวหลานเลยนะหาว่าควรสมาธินะคือไปเข้าใจว่าธรรมะอยู่ที่หนังสือนะแต่ไม่ได้ดูใจของเราที่เริ่มขุนมัวอยู่กระเพื่มไม่ชอบใจอะไรอย่างนี้ก็ก็คิดว่า เป็นเป็นประเด็นรากที่ที่น่าจะน่าจะตั้งเป็นเป้าว่าสิ่งที่เราได้ฟังมาทั้งหมดจากพ่อครูเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นฐานบารฐานที่ขยันเข้ามาเรียนรู้อ่านจิตใจของเราอยู่เสมอเสมอเนี่ยมันมั น, ม, นมันก็ก็จะได้ฟังธรรมะเป็นเป็นสิ่งที่มันก็จะเพิ่มเพิ่มปริัติ อัลมาก็ยังไม่แน่ใจนะว่าถ้าพ่อครูไม่อยู่เนี่ยชาวโสกเนี่ยจะคือธรรมะที่พ่อครูสอนเราเนี่ยนะขนาดท่านพุทธทาสสอนไม่มากนี่นะเรายังเห็นลูกศิษย์ตรงลูกศิษย์สายส่วนโบกเนี่ยเฉยโกรเรียกว่าเสพกามด้วยจิตว่างไปอะไรด้วยเงี้ยก็คืออย่างหนึ่งเรารู้งสึกว่าเพี้ยนเพีย น, ยนภาษาธรรมะกบเกลือนแต่ว่าของพวกครูที่สอนเราไว้เนี่ยโอโ้โห จอแยยิ่งกว่านั้นปฏินิสกะนะย้อนทวนย้อนคืนสู่สภาพอะไรเงี้ยคือเราจะมีภาษาอะไรเยอะแยะมากเลยงั้นถ้าคนไม่มีไม่มีสัญชาติแห่งคนตรงมากพอไม่มีความศรัทธามากพอเนี่ยต่อไปภาษาของเรานี่ก็จะอธิบายกบเกลือกล่อนกิเลสได้หมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันแต่ในยุคที่พ่อครูยังอยู่เนี่ยแต่มายังคิดว่า คนคงยังไม่กล้าหรอกเพราะเจ้าของบริษัทเจ้าของสูตรยาเนี่ยยังอยู่นะแต่พูดไปแล้วเดี๋ยวกลัวเจ้าของสูตรจะทวงอบอกไว้นี่ยาปลอมนะก็จะไม่มีใครกล้าที่จะมาใช้ยาปลอมเท่าไหร่แต่ถ้ายกพ่อครูไม่อยู่เนี่ยศรัทธามันก็ไม่มากพอศนะรัทธาแต่ศรัทธาสมณะหรืออะไรก็ไม่มากพอยกนั้นเนี่ยภาษาคิดว่าภาษาที่พ่อครูสอนเอาไว้เนี่ยมันจะ เร่ว่าดูกันไม่จือทีเดียวในยุคต่อต่อไปนะกันในยุคนี้บอกว่าความศรัทธาที่พวกเรามีกันมากอยู่เนี่ยทุกคนก็จะระมัดระวัแงแล้วก็ไม่ใช้ภาษาเนี่ยมามากรลื่นตัวเองหรือเอามาตีกินหรือไปหลอกลวงคนอืน่นก็ในในสิ่ง must have ข้อที่สองเนี่ยอัตมาคิดว่า สิ่งที่เราต้องมีความเข้าใจตัวเองแล้วประเด็นที่สองเนี่ยก็น่าจะต้องมีความเข้าใจต่อคนอื่นอย่างที่ซุนวูบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยคร้งชนะร้อยคร้งเรารู้ตัวเราเองด้วยเราก็ก็ต้องรู้คนอื่นด้วยถ้าเราไม่รู้คนอื่นเนี่ยมันก็จะ ทุมกมากๆเลยในหนังสือเราคิดอะไรเล่มใหม่เนี่ยเขาพูดถึงครูตั้งโจทย์ถามนักเรียนว่ามีเงินสิบบาทไปซื้อของในตลาดสามบาทนะถามว่าจะได้เงินทอนมาเท่าไหร่เขาบอกว่าในห้องอ่ะส่วนใหญ่ก็ตอบว่าต้องทอนเจดบาท แต่มีเด็กนักเรียนสองคนตอบว่าถอนสองบาทนะอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องทอนนะเขาก็อธิบายว่าถ้าเป็นคำถามในห้องสอบเนี่ยคำตอบ็ดบาทเนี่ยก็คงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ว่าคำตอบในชีวิตจริงเนี่ยเด็กที่ตอบเนี่ย ก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเด็กที่ตอบว่าทอนสองบาทเนี่ยก็เพราะว่า mm. เขามีเหรียญห้าสองเหรียญ น, น่ะงั้นก็ไปซื้อของสามบาทงั้นแม่ค้าก็ต้องทอนเขาสองบาทใช่ไหมเพราะเขาใช้เหรียญห้าซื้อนะแล้วเด็กอีกคนนึงเนี่ยเขามีแต่เหรียญบาทอย่างเดียวสิบเหรียญนนะ่ะเขาก็ซื้อสาบาทเขาก็าไปสมเหรียญดิ่งก็เห็นไม่ต้องทอนเลยเลยนี่ย งั้ในในคำตอบของชีวิตแต่ละคนเนี่ยประสบการณ์ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะนนเราจะปัญหาในการอยู่ร่วมกันก็คือว่าเราจะเอากรอบความคิดของเราเนี่ยไปกําหนดนะไปไ ป, ไปวัดกรอบของคนอื่นหรือไปตัดสินคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นความผิดพลาดอย่างมากๆเลยเพราะว่ากรอบของชีวิตแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกัน มาอยู่กับพ่อครูเนี่ยเห็นอย่างหนึ่งว่าพ่อครูเนี่ยฉลาดก็เราอยู่เสมอเสมอเพราะว่าท่านจะเข้าใจความคิดของมนุษย์เข้าใจความคิดแม้แต่คนที่เ็าอยู่ตรงกันข้ามบางทีเราสึกว่าเอ๊ะทำไมเขาด่าเราไงทำไมเขาว่าเราทำไมเขาไม่เข้าใจเราพ่อครูจะอธิบายให้ฟังได้ว่าคือเราเราเราคิดแต่ว่าเขาหน้าจะเข้าใจเราอะ เขาน่าจะเห็นดีเห็นงามกับเราทําไมเขาไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พ่อครูก็อธิบายได้ว่าเขาเขาเขาคิดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไม่เข้าใจเรานะเขาเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ต้องเข้าใจเราเพราะพ่อครูเข้าใจเขานะงั้นท่านพ่อครูจึงบอกว่าชีวิตของท่านเนี่ยไม่มีปัญหามีแต่ปัญญานะไม่สงสัยว่าทําไมมหาเถรแลสมาคมต้องมาจับท่านต้องมาเล่นงานท่านถ้าไม่เล่นงานท่าน่ะ ไม่ถูกอะนะท่านต้องไ่ทําใไม่ถูกแน่เลยท่านต้องมาทำงานแบบไม่ถูกต้องแน่เลยแต่ถ้าถูกประจับนี่แหละถูกต้องแล้วละ่ะนะต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะเขเข้าใจในจิตทางเขาได้นะพราะครูยังมีมีปัญญาอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเอ่อมาคิดว่าเรามาเป็นบัตรธรรมเนี่ยเราจะมีทุกสองส่วนทุกส่วนหนึ่งก็คือทุกในเรื่องของตัวเอง ทุกนกิเลสของตัวเองทุกอีกเรื่องนึ่งก็คือว่าทุกในกิเลสของเพื่อนนะทุกอยากให้เพื่อนได้ดีทุกอยากให้เพื่อนเข้าใจอย่างเราทุกอยากให้เพื่อนเป็นอย่างเราเนี่ยจะเป็นทุกทุกอีกอันหนึ่งที่ที่เอ๊ะทาไมเขาน่าจะเป็นอย่างนี้นะนะอตอนธมาอยุธรรมะทรใหม่เนี่ยมี ยายคนหนึ่งที่เขาอยู่แม่ครัวเนี่ยเขาอยู่โรงครัวเป็นแม่ช่วยลงครัวนะใครเข้าไปก็ต้องเจอปากเขาอยู่ตลอดเวลาแหละนะปากเขานี่เป็นคมหอกที่เรียกว่าเจ็บกันทั้งชุมชนนะเขาจะว่าบั้งด่าบั้งอะไรบั้งนะจนจนจมาต้องมาคุยกันเพราะว่าได้รับเสียงร้องเรียนทุกของชาวบ้านเยอะนะเขาบอกก็าบอกว่าคือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเองเนี่ย แต่ก่อนเคยเป็นในท่ารถเมย์มาก่อนนะมันต้องคุมผู้ชายอะไรเงี้ยนะก็เป็นผู้หญิงนนะมันก็เลยต้องใช้นิสัยอย่างเงี้ยมันถึงจะสู้ผู้ชายได้นะเวลามาอยู่กับพวกเราเนี่ยนิสัยตรงเนี้ยมันก็ยังติดตัวกลับมาฝังเราเหตุผลพอฟังขึ้นนะว่าพื้นฐานก็เป็นอย่างนี้นะปรากฏว่าแม้ก็จะดูปากร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะ เราไม่แน่ใจว่าตายหรื อ, อยังเนี่ยแต่ว่าตายแล้วเลยเล่าประวัติตรงนี้คนมาต้องโคเก่ารู้นะแต่ยุคเก้าสิบกว่านะไม่น่าเชื่อว่าจะยูยืนเหมือนกันพอดูจะอารมณ์รุนแรงหรืออะไรเงี้ยนี้คื อ, ค, อคือว่าถ้าเราเข้าใจพื้นฐานชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเราเราก็จะวางใจได้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะเอ๊ยนะเราอาจะมาอยู่ใกล้ๆเพราะท่านจะมีคนมาบอก ทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะเอ๊ะอย่างนูน้นเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยนะพอท่านก็จะบอกว่าก็เขาก็ต้องเป็นอย่างนี้สิทำไมเป็นอย่างนี้จะเป็นเขาทำไมอะไรเ ง, งี้ยนะก็เป็นคาตอบที่ ง, ง่ายๆดังนั้นในข้อที่สองเนี่ยมีวันหนึ่งที่พ่อครูเหมือนกับสโลกนะเหมือนกับสโลกออกมาว่า เอานี่ไปนะีเอานี่ไปทําเอานี้ไปนั่นกันนะเวลาทุกข์ขึ้นมาเนี่ยให้เอานี่ไปทบทวนกันนะคือบางจะเห็นพ่อครูเห็ น, พ ว, พ, วหนพวกเรายื ด, ยดเนินยืดนี่เนะี่ยทําไมคนนั้นเป็นทําทไมคนนี้เป็นอย่างนั้นทําไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทั้งให้สโลกเอามานะอธมายอะไตั้งเป็นหัวข้อว่าชีวิตที่มีแต่ปัญญาจะหมดปัญหาได้เพราะ เราก็เข้าใจให้ได้ว่าคนนี้เขายึดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วมันมีอย่างนี้ว่าคนที่ยึดว่าตนเองถูกเนี่ยเขาอยากจะให้อีกคนเนี่ยเขาถูกอย่างเราสรุปก็คืออยากให้เขามาเป็นอย่างเราอันนี้แหละแต่มาว่ามันทุกข์นะความความทุกข์บางทีทุกของเรามันก็ไม่ทุกข์ละแต่มันทุกข์อะทำไมเขาเป็นอย่างนี้นะทาไมเขาไม่แก้ทันทีนะ ทำไมมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะอะไรเงี้ยคือทุกอันนี้แหละแต่มาว่ามันทุกสรุปก็คืออยากให้เขามาเป็นอย่างเรามันก็ทุกพออยากให้เขามาเป็นอย่างเราเอา้าคุณอยากให้มาเป็นอย่างเราแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคิดต่างเขายึดต่างแล้วคุณยึดว่าจะไม่ให้มาเป็นอย่างเรานั่นแหละคุณทุกข์แล้วคุณยึดมั่นถือมั่นแล้วคุณยึดเข้าไปแล้วนะยึดมั่นถือมั่น จะให้ใหอะไรหญ้าสูงเข้าต้นตาลอย่างเงี้ยนะคือจะให้อเมริกันเนี่ยคนอเมริกันมากินแบบคนลาวอะไรเงี้ยนะคือมันมันไปยึดไปยึดตมันมันมันมันยึดให้เข้ามาเห็นอย่างเราสอดคล้องอย่างเราเนี่ยอันนี้เป็นจริงๆต้องเห็นว่าเรายึดแล้วนะอาตมาเจอยจตธรรมบางคนเนี่ย ลูกมันไม่ยอมทํางานทำงานนาทีมันจะมีแต่จะสอบเอ็นทานนั้นท่านนั้นแหละกี่ปีกี่ปีมันจะสอบเอ็นทานอยู่นั่นแหละ <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าลืกลูกยึดนะแต่แต่ตมาคุยเขารู้สึกว่า e e, เราเรากันยึดของเราอยู่อย่างนั้นแหละนะลูกมันยึดแนละ้วเราก็ยึดว่าลูกมันจะสอบอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> ทำไงเราถึงจะแก้ลูกมันแก้ไม่ได้คือเรารู้อยู่แล้วว่าแก้ลูกแก้ไม่ได้แต่แก้ความยึดมั่นถือมั่นของเราที่ใช่ลูกเนี่ย เป็นอย่างที่ใจเราอยากเนี่ยอันนี้มันจะแก้ง่ายกว่าแต่จะไปแก้ให้ลูกเขายึดมั่นถือมั่นเนี่ยโอ้ไม่ไปแก้ยอย่างไงมันก็ไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้ศรัทธาแต่ตัวเราเนี่ยทั้งฟังธรรมทั้งศรัทธาทั้งถือศีลทั้งกินเจจะไม่ั้งเชื่อพระด้วยนะไอ้ลูกมันไม่ได้เชื่อเลยจะไแก้ได้อย่างไงแต่ตัวเองนี่ทั้งเชื่อทั้งศรัทธาเนี่ยมันน่าจะแก้ได้ง่ายกว่างั้นสรุปแล้วเนี่ยแก้ความยึดมั่นถือมั่นที่ตัวเราเนี่ยมันง่ายกว่าที่จะไป แก่ความยึดมั่นถืงอมั่นที่คนอื่นเอา้านะ น, นี้ก็บอกว่าเอา้าเขาก็เป็นของเขาคุณก็เป็นของคุณคุณก็สบายแล้วคุณก็วางได้แล้วเพียงเท่านี้คุณเข้าใจเท่านี้อยู่ในโลกได้คุณไม่มีปัญหาหรอกนะีนะ่พ่อครูบอกว่าคุณเข้าใจแค่นี้คุณอยู่ในโลกได้สบายแล้วละ่ะอย่างวันนั้นที่พระท่านตอบเด็กม .6 ที่ถามว่า แต่ช่วยเขาแล้วเนี่ยเขาให้มันมันเสียความรู้สึกอะ่ะไก่คนที่ไปช่วยเนี่ยพ่อกูก็บอกเอา้าก็คุณไปทําดีแล้วแต่เขาแสดงอาการที่ไม่ดีกลับมาเนี่ยไอ้ความไม่ดีนั้นมันก็เป็นของเขาอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราละ่ะไอเราไปทําดีแล้วมันก็จบของเราแล้วแต่เขาแสดงกลับไม่ดีนั้นเป็นความไม่ดีของเขาอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเราอย่าเอามาเกี่ยวกันนะนี่ก็ทํานองเดียวกันน่ะถ้าคุณเข้าใจในคุณเข้าใจเท่านี้ คุณก็อยู่ในโลกได้คุณไม่มีปัญหาหรอกของเขาก็ของเขาใช่ไหมเอาเกี่ยวกับเราได้ยังไงนะคุณเข้าใจเท่านี้คุณก็อยู่ในโลกนี้ได้ไม่มีปัญหาหรอกจเจ้าความเหมือนกันที่ไหนที่ไหนมันไม่มีอาตมาก็พูดมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแม้ปรมูปรมณูสองตัวเดีย๋ยวไปพูดตัวใหญ่เลยตัวเล็กที่สุดสองชิ้นขึ้นมามันก็เกิดความต่างแล้วมีสุญญาตาตัวเดียวเท่าที่เท่ากันหมดทั้งโลกทั้งหมหาจักรวาลนี้ มีความไม่มีเท่านั้นที่เหมือนกันไอ้ที่ความมีเกิดขึ้นมาเมื่อไรไม่มีความเหมือนกันหรอกเพราะฉะนั้นเราเข้าใจอย่างนี้จบแล้วเออเขาก็เขาเราก็เราก็จบแล้วนะจบให้ได้ใช่ไหมเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขมากเลยนะเพราะเขาก็เขาเราก็เราก็แค่นี้เข้าใจได้เท่านี้ก็จบแล้วพรอครูว่าอย่างนั้นเขาก็เขาเราก็เราก็จบแล้วจําไม่แต่เพียงว่า ถ้าอยากให้เขามาเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเราคิดเท่านี้แหละคุณโง่แล้วคุณทุกข์แล้วนะเปลี่ยนแค่อยากเขามาเป็นอย่างที่เราต้องการหรื อ, อย่างเราคิดนี่แหละคุณโง่แล้ว ค, คุณทุกข์แล้วแล้วเราก็เข้าใจเขาให้ได้ว่าเขาเท่าไหร่เขามีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วก็จะรับมือแล้วก็จะได้รับมือเขาได้ดีก็เท่านั้นก็พอแล้วก็เขาต้องมีของเขาอย่างนั้นแหละ แน่นอนนะแค่ฟังพ่อครูพูดนี่มันเหมือนจบมันง่ายเลยนะเข้าใจเขาได้ก็จบแล้วล่ะท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเขาเข้าใจเขาได้นะเราจะต้องรับมือก็ดูที่ว่าเขามีกําลังเท่าไหร่ก็แค่แค่นี้เขาก็ต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนแตมาตัวทำไมาก็คิดว่าเราไปทําตนน้นต้นเนี่ยมันก็จะฟุ้งซ่านเยอะนะมีความคิดอยากจะไป ให้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้เป็นอย่างนี้ดีไม่ดีก็อยากให้นายกในเมืองไทยเป็นอย่างนี้อยากให้ประธานาธิบดีอเมริกาเป็นอย่างน้นความคิดมันอยากจะให้เรียกว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลานะอาตอมาก็ใช้ใช้คาถาธรรมรุน ธ, ธาตุแหละนะที่เคยเล่าให้ฟังว่านเนรไปถามหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเอ๊ะ ภาธิวัฒนนี้มีสึกกันบ้างหรือเปล่าที่บวชนานๆเนี่ยแต่พระท่านก็ยิ้มๆบอกว่าอย่าเสือกว่าอย่างกันนั้นแต่เราถืว่าเออกรรมฐานที่ท่านบวท่านให้มาเนี่ยอตาตมาก็เอามาใช้คอยเวลาเป็นฟุ้งซ่านไปนนทนไปนี่นะออกจากนอกนอกกายในกายเราไปเนี่ยก็เอามาสกัดความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปเนี่ยนะให้มันกลับเข้ามาสู่ความสงบทาง จิตใจของเราก็จะเป็นตัวตัวที่ทําให้เราลดความวุงสั้นไปอัตมาเคยเทศนะ์ญาติโยมพุเทเถ่าตอนนั้นเทศที่พิทาลีนะคือคนเอผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่อัลลามาเน้นนะว่าวันนี้ตามาจะเทศสองคํำนะจําให้ได้อย่าลืมนะจะเทศสองคํำนะแล้วก็เล่าเรื่องพวกนี้ฟังแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยจะเทศเรื่องอย่าเสือกนี่แหละ เวลาฟุ้งซ่านก็เอาอันนี้มาท่องกันไว้นะมียมน้อยทาตาโกเขาเป็นสายศรัทธาเวลาพูดออกมาทีโยมน้อยก็พูดดังด้านสาลาเลยละถ้ใครรู้จักกันนะพอดีวันนั้นลูกสาวก็มาทําบุญลูกสาวเนี่ยก็ยมแม่ท่านตันติปาโลคนนึงด้วย <c oughs> ก็นี่ทําบุญตั้งแต่ย่าตั้งแต่แม่ตั้งแต่อะไรมาลูกสาวก็มาทําบุญเนี่ยยมน้อยก็เล่าด้วยความดีใจนะบอกวันนี้โอ้โหท่านติดขาเทศดีมากเลย ท่านเทศเรื่องเสือกว่าอย่างนั้นนะ่ะนะแกเล่าให้ลูกสาวฟังกันมาก็นั่งอยู่ด้วยนะขนาดอุตสารเน้นว่าแค่สองคำนั้นจากันให้ได้นะอย่าอย่าไปไปพลาดนะโยมน้อยเล่าให้ลูกสาวฟังวัวนนี้นติขาดเทเรื่องเสือกให้ฟังนะก็ทํามามันเปลี่ยนไปได้นะแต่โยมเขาก็อะไรคือ จ, ยายจําพยัญชนะผิดแต่ว่าจิตใจเขาไม่ได้จําผิดหรอกนะเคยมี อาทิมอาทิมอ้นที่ปฐมวสโกระสำนักเราไปเหยีาอาซิมบอกว่าอาทิมพวดชงเจ็มีอะไรบ้างนะอาทิมบอกพวกชงพวดชงว่าไม่สําครั้งราอาพาหยสึกกัแล้วกันอะไรกังนั้นนะคือแม่นเขาแม่นปรมัดนั่นะนะพยันชนะพวกชงไล่ไม่ได้ไม่ไม่ห่วงอาทิมไม่ห่วงนะห่วงแต่ว่าอาพาหยสึกก็แล้วกันนะพวกเรามีปรมัตดนี่เรียกว่าไปไหนก็ได้ ดังนั้นอันมาคิดว่ามัลแฉกข้อที่สองเนี่ยก็สําคัญในการอยู่ร่วมกันในการที่เราจะพยายามค่อยๆทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันต้องค่อยๆทําความเข้าใจนะอาจจะมาเคยดูเขาเอาจอระเข่มีรายการเขาเขาเลี้ยงจอระเข่เอาจอระเข่อยู่กินนอนด้วยกันเลยนะอยู่ในห้องนอนด้วยกันเลยนะแล้วเขาก็เอาจระเค่เนี่ยมาออกทีวี แต่เห็นอย่างหนึ่งว่าเวลาเขาจะเคลื่อนย้ายจระเข้เนี่ยเขาจะรูปหน้ารูปหลังรูปแล้วรูปอีกอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเกิดความตื่นตหนกอะไรอย่างเงี้ยนะรูปจนเรียกว่าจระเข้แน่ใจว่าปลอดภัยแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายอะไรออกมานี่ยมมาไม่แน่ใจว่าคนเรานี่จะตื่นตระหนกง่ายยิ่งกว่าจระเข้หรือเปล่าอยไหนเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันจะต้องค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆพูดค่อยๆ ปรึกษาหารือกันนะถ้าทับทันเร็วกันนี่บางคนไม่แน่ใจว่ามีอาจจะดุยิ่งกว่าจรเข้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ได้กลับคืนมาหนักไปกว่ากเก่าก็แต่ที่พูดพูดประเด็นนี้คือว่าเพียงว่าอยากให้พวกเราค่อยๆค่อยๆทำความเข้าใจกันนะไม่ไม่ไม่รีบด่วนสรุปกันตอนจะมาจะมาจากสันติยโสกมี คนใหม่มาคนหนึ่งโอ้หอบกับโคงกับเข้ามาเยอะเลยนะแล้วก็เอาต้นไม้มีต้นไม้มาด้วยมาถามว่าท่านจันอยู่หรือเปล่าต้นไม้พิเศษของเขาอะนะพวกเราก็บอกว่าท่านจันไม่อยู่อะแล้วเพราะท่านอยู่หรือเปล่าพอดีพราท่านแกะหนังือข้างบนก็เพราะท่านอยู่ก็เอองั้นงั้นจะต้นไม้ถวายเพราะท่านก็นแล้วกันนะ ก็มีพวกเราบอกเนี่ยถวายธรรมาเนี่ยปัญหานะขอไม่ได้ไม่ได้ต้องถวายกำมือกับพ่อท่านเองนะก็ต่อรองกันทำไมก็ต่อรองยังไงก็ไม่ได้ต้องถวายกบมือเพราะท่านนะเราก็คิดไม่ออกพราท่านกาำเขียนหนังสืออยู่ข้างบนนี่ะนะจะเดินลงมามันก็ไม่พอดีทำไมาเห็นท่านดินไทยก็กไปคุยกับท่านดินไทยคุยตั้งนานสุดท้ายก็บอกไม่ได้หรอกเขาก็เข า, เขาต้องเอาอย่างงนั้นเขาต้นไม้กลับไปดีกว่า แล้วค่อยมาหาท่านจันทร์ใหม่ต้องถวายกับมือให้ได้แล้วก็ในช่วงที่ต้นไม้ถ่ายไม่ได้เขาก็ถือกับข้าวมาด้วยเขาบอกโอ้โหไอ้นี่อร่อยมากมาโฆษนาไดนะ้ฟังนะนี่อร่อยมากหมูตรงนี้แกะถูกออกมาเลยเดี๋ยวท่านรับกันคนละหน่อยนึงนะโยบก็แถวมาเลยนะต้องเรีบเอาฝาบาทไปรับเลยนะบอก น, ะน้อยๆก็เพราะตอ น, นั้นล้างบาทล้างอะไรอิจฉาอิ่มแล้วเขาบอกไม่ได้เนี่ยของนี้อร่อยมากนะแถวแต่ามาด้วยโอทีสองที่สามก็ต้อง รับกันแทบไม่ทันนะดูแล้วมันก็เหมือนคนได้ปกตินะเนี่ยนวะ่มามารู้สึกว่าแต่พอดีมีทํานาจเราจําได้ตอนที่ชุมนุมอ่ะเขาเป็นตัวหลักตัวหลักที่เราไปบินทบาทแถววัดเบนเนี่ยเขาเล่าเข า, เขาเล่าให้ฟังเหมือนกันเนี่ยโอ้ยตอนที่อยู่ที่ชุมนุมกันที่ลาดดําเดินเนี่ยเขาบางทีก็ต้องเมารถนะพอสมณะบินทบาทเนีย มีคนใส่บาทเยอะมากเลยเต็มบาทแล้วก็ยังต้องมีถุงพิเศษอีกหกเจ็ดถุงอะ่ะเขาต้องเหมารถกลับมาให้นะเขาต้องคอยส่งคอยอะไรเป็นเรียกว่าเป็นขาใหญ่เป็นแม่ยกตอนที่เราบิณฑบาตตอนนั้นนะ่ะนะกลับมาก็โอ้โหกว่าจะรั้เป็นแม่ยกในวัดแทบพังเลย <c ười> คือต้องพอพอทันให้ได้แล้วต้อง <c ười> อาหารเนี่ยเอาของต้องเอาของมารับอะไรอย่างดีเนี้ยนะก็ค่อย พอดีมีพระน้าจับได้เนี่ยก็ ค, ยค่อยรู้ว่าเออเขาเป็นคนใหม่ที่ต้องค่อยๆทําความเข้าใจนะมีคนหนึ่งคนนี้ก็ศรัทธามากเลยนะแต่ว่าเขาจะศรัทธายังไงศรัทธาประเัดแรงกล้าเขารู้สึกว่าถ้าทําเนี่ยมันต้องรีบเอาของมาทําบุญให้สํานะให้ได้นะพวกเราก็จะไปติงว่าเขาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เลยนะก็ จะออกาการวิ่งวิ่งอะนะไปนู่นไปนี่แต่ว่าเรื่องนี้มันเรื่องหน้าแตกตรงที่ว่าพอดีวันนั้นเพราะท่านไปตรวจสุขภาพที่ที่โรงพยาบาลเขาก็อาหารเขาก็มีจัดเอาไว้คนที่สัตทาเ น, นี่ยเขาก็เขาก็มีเขาก็เลยเตรียมไว้ถวายปัจฉาโดยเฉพาะทนปัจฉามันอยู่เขาก็าไว้ในโต๊ะที่จัดให้ไว้แต่ปรากฏว่าเขาก็เตรียมใส่ภาชนะไว้เรียบร้อย แต่เขาย้อนกลับมาดูอีกทีหนึงเอา้าส้มตำเขาหายไปที่ไหนเนี่ยบวยวาใหญ่เลยนะบอฟต์บาราใหญ่เลยเขาไม่ยอมหรอกส้มตำเขาหายเนะี่คือนะี่ไปเจะเอ๋คนถูกสเปคส้มตำเนี่ยนะ เ, เขาก็เป็นสายเทวานิยมเขบอกว่าญ <c oughs> าติของเขาที่ตายไปแล้วเนี่ยกำลังอ้าปากบางงาบางงาจะรับส่วนบุญกุศลนะไอ้คนมาย่างกับเ ข, เขาเขาไปหมดเลยนะีนะนะ่ทำไมญาติเขาไม่ได้รับ แต่เล่าให้ฟังเรื่องอันนี้เรื่องตลกตรงที่มีพวกเนี่ยก็ไม่น่าเลยนะมันจริงๆแล้วไม่น่าเลยที่อาจจะแฟนนั่นดูแฟนแฟนนั้นแท้ส้มตํำนะทำไมญาติที่ก็จะวุทิศส่วนกุศลไปให้กขาบอกญาติกาลังอ้า ป, ปากพระงาบปรงปจะรับส้มตําเลยหายไปเลย <S <S แต่ก็มีพวกเราก็กโดนขัดเกลเรียบร้อยนะแต่ก็เล่าเล่าล่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าบางทีเราก็ ทุวันนี้ธรรมะถือว่าเราครบกับสังคมภายนอกเนี่ยนะมันต้องค่อยๆใจเย็นกันนะไม่ไ ม, ไม่ไม่รีบด่วนสรุปไม่รีบด่วนอย่างที่บอกว่าเอซื้อของสิบบาทจ่ายแค่เท่าไหร่สองบาทผิดอะไรเงี้ยนะหรือไม่ต้องทอนเลยทอนสองบาทผิดไม่ต้องทอนเลยผิดอะไรเงี้มันต้องค่อยๆดูกันนะนะในความปรารถนาดีของผู้คนที่มีหลากหลาย โดยไม่ใช่แค่กรอบความคิดของเราเป็นรีบตัวตัดสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพวกเราที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยจริงๆแล้วแต่ว่าแต่ละคนกันแต่ละคนมาอยู่ร่วมกันได้ก็มีบารมีด้วยกันนั้นแหละนะ้าไม่ใช่โหเราจะหาคนที่ถือสินกินเจได้เนี่ยมันไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะเราจะหาคนที่มาทำงานโดยไม่มีหวังรายได้ไม่หวังสิ่งตอบแทนก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆ สิ่งตอนนี้อ่นะก็มันพวกเราก็มีบารามีกันนะดังนั้นเราก็กค่อยๆศึกษากันทำความเข้าใจกันนะแล้วก็แล้วก็เนี่ยอย่างที่พ่อครูบอกว่าชีวิตนี้มีแต่ปัญหานะจะหมดปัญญาได้เพราะเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเรานะนี่ไหตัวเด็กน้อยนี่ก็มีบารามีไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยแม้เขาจะพูดจงไม่ได้นะเขาก็ เ, เติบโต่าแต่ว่าโอ้เขาก็เรียกว่า ไม่รู้เรื่องก็ก่าบไว้ก่อนเน่นะไหว้ไว้ก่อนนะนะ น, นะนี่ก็ซึมซับไปตามธรรมชาติของเขาที่ได้อยู่ร่วมกับพวกเรามีอีกข้อหนึ่งที่จะมาฟันพวกเราพูดถึงตั้งใจที่มาเรียนบอนบอเนี่ยนะมาเห็นว่าเป็นเหตุผลที่สำคัญเขาบอกว่าเขาต้องการ เป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนอนะามาก็จะไม่รู้เลยนะเนี่ยอยู่ดีๆพวกเรามาอยู่กันได้ยังไงเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยนะโดยที่ไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีไม่มีเขาไม่มีหลางมาก่อนเลยนะจะว่าซื้อหวยถูกก็ไม่ได้ซื้อหวยกันอยู่แล้วนะแต่มากันมากันจับอะไรนนมาว่านามาคิดว่านะแม้บอกว่าอนามาไม่อนามาดาวนะว่า พวกเราคงไม่ติดใจปริญญาบัตรอะไรกเท่าไหร่หรอกบอกแค่เอาปริญญาบัตรก็คงไม่ได้ติดใจอะไรนะจะเอาวุฒิอะไรก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะแต่แต่ตมาชอบเหตุผลที่พวกเราบอกอะ่ะมีคนหนึ่งที่เขาบอกนะว่าเขาต้องการมาเรียนที่นี่เพราะเขาต้องการเป้าหมายที่ชัดเจนนะแต่พูดตรงนี้มันก็จริงจมันมีเหตุปัจจัยนะมันมีเหตุปัจจัยกว่าจะเป็นวอนอบอเนี่ย เป็นมาตั้งแต่มวชอ์นะหาวิยาลัยวางชีวิตตั้งแต่ธรรมมาธิขาเลยนะตั้งแต่วบบบบสามตัวนะจนกระทั่งมาเป็นวนบเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยส่วนนี้มีเหตุปัจจัยมาจากชุมนุมอันเนี้ยจะครบกี่วันนี่ต้องไปถามลุงจําลองว่าเรามีชุมนุมอะไรกันมาบ้างนะร93วันร้อยห้าสวัน แล้วครั้งล่าสุดนี่เท่าไหร่นะสองรแปดบเก้าวันน่ะไอตัวเลขหลักนี้เร้ถึอว่าจำยากมากเลยแล้วมาเป็นสองรอยแปดสบเก้าวันเนี่ยในส่วนเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบหลายอย่างจนพวกเราจะกลับบ้านกันไม่ถูกกันนะชุมนูมกันแล้วแล้วเราล่าแล้วแล้วเล่าจนกลับบ้านไม่ถูกแล้วงั้นมันสิ่งที่เราใช้ชีวิตแบบอนาคาริก ชีวิตของคนที่ไม่มีบ้านไม่มีอะไรมายาวนานเนี่ยมันก็ทําให้พวกเราพวกเราต้องการอะไรที่มันมากกว่ามากกว่าที่เราจะกลับไปหาเงินหาทองหาบ้านหาช่องเพราะว่าเราหากันมายาวนานั่นแหละทั้งชีวิตน่ะแล้วเราก็ออกมาว่ามันมีองค์ประกอบเหตุปัจจั ย, ยหลายหลายอย่างนี่ในการเกิดมาเป็นวนอบเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลายอย่างที่สะสมกันมา ด้วยความศรัทธาในพรอครูด้วยความความสำคัญเรื่องการศึกษาด้วยความที่เราทิ้งบ้านทิ้งช่องกันมาสะสมได้ขมมักกันมาจนเป็นเหตุปัจจัยที่มารวมตัวในครั้งนี้ว่าจริงๆแล้วถ้าที่ดูเนี่ยอาตมารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจนะเราจะเป็นองค์กรที่ได้ประโยชน์พอกผลมากกว่าที่อื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจ ฟังหลวงปู่พุทธอิสระท่านบอกว่าชุนนมที่ผ่านมาเนี่ยท่านเป็นหนี้ตั้งสองร้0ยกว่าล้านนะมันโหงท่านใช้จ่ายเยอะนะกาดท่านต้องใช้เยอะระเบิดลงวันแต่ละคืนแต่ละคืนต้องกาดไม่รู้เท่าไหร่แต่ละลายเป็นพันนะนะท่านบอกว่านี่200อยกว่าล้านมีคนบริจาคแค่ห้าสกว่าล้านเท่านั้นเอง มาถามทางฝ่ายดูแลการเงินของเราเนี่ยของเรานี่มีคนบริจาคประมาณหกสิบล้านหกสิบกว่าล้านนะถามว่าติดลบเท่าไรหร่เหลือเท่าไหร่เนี่ยก็บอกว่าตัวเรกคร่าวๆก็จะติดลบประมาณทักสองสามแสนนะสองสแสนทว่าเออเลอะมากนะไม่เขียนก็ได้เขียนก็ได้เออเงินแค่สองสามแสนเนี่ยนะเพราะว่าไปซื้ออะไรมันราคาแพงกว่านี้ตั้งเยอะก็ดูว่าของเราก็ประมาณเนี้ยนะ ประมาณเนี ane, altung, ้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรกาดมาคุยกับกาดที่เขามาอยู่กองทัพธรรมเนี่ยบอกโอ้โหคนมาอยู่กาดกับกองทัพธรรมเนี่ยต้องมีอุดมการณ์นี้อยู่กันได้นะกาดเขาก็คุยนะคุยด้วยความภาคภูมิใจว่าเขามาเป็นกาดกองทัพธรรมเนี่ยไม่ได้มีรายได้ตอบแทนคนที่มาอยู่ด้วยเนี่ยต้องมีอุดมการณ์นะต้องมันมันมันได้เหมือนกับกาดที่ไปอยู่ที่อื่นเขาภาคภูมิใจฟันคือเราคุยกันเนี่ยก็ภาคภูมิใจในการที่มาอยู่กับพวกเราโดย ไม่ได้ตอบแทนมีระยได้ตอบแทนอะไรมาเสียสละร่วมกันนะเป็นความภาคภูมิใจของเขาก็ดูแล้วเนี่ยหลังการชุมนุมอาตมารู้สึกว่าพวกเรานี่ฉลองกันยาวนานเลยนะเสร็จชุมนุมแล้วเนี่ยฉลองแ0ดิปีกี่วันนะ่ะตั้ง9ก้าวันใช่ม็แปดิปีก็ไปนู่นนะ่ะทะเลธรรมก็ยกพวกกันไปอีกนะ่ะทะเลธรรม ทะเลทาก็มาวางน้ําเขียวมาสีมาจนกระทั่งมาเข้าพรรษาเนียนะทางการสนตุแท้เนี่ยชุมนุมหน่อยเดียวก็บอกว่าขอให้หยุดเถอะของเรานี่จะแต่ของเราขเขาคงวา้ใจวางใจนะเพราะว่าถ้าไปตามฟังที่ว่าครูเทศก็เทศปรมัตดล้วนๆนะไม่ได้ไปเทศที่จะให้พกนมอะไรทหารเขก็วางใจเขาก็เชื่อใจในสิ่งที่เราทำนะล้วก็จนกระทั่งพัฒนาการมาจนกระทั่งเกิด มหาเกิดมหาวิชาลามัมนะเป็นโรงเรียนโลกุตรละแห่งแรกของโลกเนี่ยันก็ยังเรียกว่าการพัฒนาการเนี่ยเดินทางมาจนถึงจุดนี้นะอาตมาว่าจาก FMTV มทวมาเป็นบุญนิยมทีวีเนี่ยอาตมาคิดว่าดูเหมือนดูเหมือนมันจะเป็นเหมือนเป็นเรื่องร้ายนะแต่ก่อนอาตมาก็รู้สึกไม่อยากจะเปลี่ยนนะเพราะว่าฟังดูแล้ว มันก็ปเปลี่ยนโลโก้ต้องไปมีงานอะไรเพิ่อเจอะคนก็รู้จักเราอยู่แล้วในทีวีนะแต่พอมาเปลี่ยนใหม่คิดไปคิดมาเนี่ยแมมันตรงกับพครูกำลังเขียนเรื่องบุญนิยมพอดีเลยมันประกาศบุญนิยมเต็มที่เลยนะแล้วเราอยู่อุบลเนี่ยคนอุบลเขาก็เรียกเราพวกบุญนิยมนะเขาไม่เรียกเราพวกอุทยานนะแปลกเหมือนกันคนอีสานเนี่ยก็เรียกเราเป็นพวกบุญนิยม แล้วต่อไปพวกบุญนิยมเราจะมีบุญนิยมทีวีนะเราอยู่ศรีสเกตยอยู่สารีสอกเนี่ยเขาเรียกเราพวกป่าช้านะเพราะเราพวกเราอยู่ป่าช้าชาวบ้านเขาก็เรียก ง, ง่ายๆตามที่อยู่ใช่ไหมไปไหนมา ไ, ไหนเขาก็เรียกพวกป่าช้าแต่มาอยู่ที่นี่เขาเรียกพวกเราพวกบุญนิยมนะดูแล้วเออเปลี่ยนใหม่นี่มันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ได้อะไรไใหม่ใได้ความชัดเจนได้ความลงตัวทีวีเพื่อมนุษยชาติเนี่ยบางทีนามาก็รู้สึกว่า มันก็ใหญ่มากเลยนะเป้าหมายมันโอ้หนักบญนิยมเนี่ยเอารักกิเลสก่อนนะเป็นหลักเนี่ยทำรากิเลสให้ได้ก่อนนะก็ดูการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอาจรมาคิดว่า เ, เป้าหมายชีวิต ท, ที่ชัดเจนเนี่ยนะพ่อครูได้พูดถึง รายได้ของการปฏิบัติธรรมคือแต่ว่าเกิดม า, าชาติไหนชาติไหนเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าเราอต่มาตัวต่มาเองเนี่ยคิดว่าขอยมีความชัดเจนอย่างเงี้ยทุกชาติทุกชาติก็พอในในสิ่งหนึ่งของพวกเราที่อยู่กันมาไม่ว่า ไม่ว่าจะร้อยสามวันร้อยห้าิบแปดวันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พ่อครูภาคภูมิใจก็คือมันได้เอาพวกเราชาวบุญนิยมเนี่ยไปประกาศตัวนะแสดงให้เห็นถึงคนมาทำงานฟรีไม่มีเงินเดือนไม่ได้มีไรายได้ไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อกี้จะมาพูดถึงว่าพวกเราเป็นกลุ่มที่มีความสุขที่สุดเพราะอะไร ละมีความเป็นกลุ่มที่มีความสุขที่สุดเพราะว่าเราไปทำงานเนี่ยเราไม่ได้ไปหวังอะไรเลยเราไม่ได้หวังว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเราไม่ได้หวังว่าจะได้เป็นรัฐบาลเราไม่ได้หวังว่าเขาจะให้เป็นแกนนำแกนอะไรนะเราปเป็นเพียงคนไปล้างซุวมคนไปเก็บขยะแล้วพอเขาเลิกชุมนุมเขาบอกว่าหมดเวลาเลิกทำงานของคุณแล้วนะเราเสียดายไหมที่ไม่ได้ไปเก็บขยะไม่ได้ไปล้างสุวมต่อนะ คนะงไม่มีใครอะไรอวร์ดนะว่าโอ้แม่กำลังล้างมันบันอยู่เลยนะไม่เราล้างแเ้าคงไม่มีใครติดใจอย่างนั้นเลยนะมันก็หมดเวลาของคนทำงานเราก็กลับมาอยู่วัดของเราต่อเราก็มาล้างส่วนยู่วัดของเราต่อมาทำงานของเราต่อเราไม่มีอะไรที่เราต้องผิดหวังนะเพราะเราไม่ได้ไปหวังอะไรนะในการชุมนุมเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยแต่มาอยู่เนี่ยจะมีการวิเคราะห์วิจัยเลย พวกห้อยพวกโขนพวกอะไรจะเข้ามากันเยอะเลยละ่ะนะพวกที่เขาทํางานการเบืออเขาอ่านอ่านเกมกันออกว่าอันนี้มาตามกระสอบมาตอนกระแสอย่างนี้แหละจะโผล่มาเราค่อยเขาแทรกตัวเข้ามาแล้วก็จะอะไรกันมาก็าวิ จ, จารกันไปวิจารวิจารณกันมาเราก็ไม่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างก็ฟันเขาไว้แต่พวกเราเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเราไปทํางานขัดขั ด, ขดล้างๆ้างไปทําให้มันเกิดความสะอาดเรียบร้อยอย่างนั้น เราไม่ได้ไปหวังอะไรเนี่ยเราจึงสมหวังนะเราจึงมีความสุขเพราะเราไม่ได้ได้มีพบว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้มีคนมายกย่องสรรเสริญจะมีอะไรเราไม่ได้มีอะไรงั้นเราจึงมีความสุขที่สุดนะเนี่ยคือความชัดเจนคือเป้าหมายของชีวิตนะเป้าหมายของชีวิตของเราคืออะไรก็คือจะเรียกว่าบรรลุธรรมก็ได้ ใช้คาว่าบรรลุดทำแต่คํานี้มันก็เป็นคําที่ที่สูงอะนะคือแต่มาเป็นห่วงตอนนี้ก็มีคนเป็นห่วงว่าบุญนิยมทีวีกลจะเปิดแล้วก็มีคนมาบอกแตมาว่าเออแล้วพวกบรรลุดทำจะประกาศคุณพิเศษของตัวเองออกมายังไงเนี่ยสาํานักก็บอกว่าไม่เป็นไรผมจะคอยกดสวิตช์ไว้พอจะประกาศพก็ผมจะปิดทันทีอะกันนั่นนะ แต่ตมากรว่าธรรมนัฐจะปิดไม่ทันทังนั้นเองเนะว่าในยามหน้าถิวหน้าขวานนพวกบรรลุธรรมเนี่ยก็จะรีบประกาศตัวเอ่อมันตรงนี้เนี่ยตมาคิดว่ามันต้องทําความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการประกาศบรรลุธรรมของพ่อครูเนี่ยท่านประกาศด้วยความจําเป็นนะแล้วก็การประกาศของพ่อครูเนี่ย มันไม่ได้ประกาศแบบหมดตัวนะเพราะครูจะยกอย่างว่าเหมือนฉันมีห้านิ้วเนี่ยฉันก็โชว์แหวนเพชรตั้งฉันตั้งห้านิ้วให้คนดูอื่นดูอะนะบอกหมดตัวเลยโดยเขาแกทับมาหน่อยเดียวตายเลยนะเขาแกทับมาไม่มีลูกอื่นเล่นต่อนะคำจริงอย่างพวกครูแต่ก่อนเะนี่ยประกาศแค่เป็นอริยะประกาศแค่เป็นพระโสดาบันท่านจะอยู่ดีๆีท่านประกาศ อะไรอย่างทุกวันนี้นะเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยเขียนป้าจิตไว้เลยเชิญมาคารวะพระโสดาบันนะแล้วพอพวเร า, าฟังทำเสร็จพระครูบอกว่าอันนี้ตามา น, นี่แหละคือพระโสดาบันพระครูประกาศตัวเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านยกตัวหรือว่าท่อมตัวท่อมตัวพวกเราฟังพระครูประกาศเป็นโสดาบันเราก็โธ่พระครูนะอย่างนี้เสียเที่ยวหมดนะ น, นะ มันแบบก็ประกาศตัวทั้งทีเลยเนี่ยประกาศเป็นพระโสดาบันนะจริงๆแล้วท่านถ่มตัวนะแค่โสดาบันเนี่ยก็ยังจะเอาตายเลยนะไม่ใช่เล่นๆ เ, เคยมีเจ้าหน้าจังหวัดเนี่ยมาถามว่ามาเผยแพร่ศาสนาเอาอลไรมาเผยแพร่ท่านก็บอกว่าก็เอาคุณมิเสศษเดีย๋ยวเอาอุตรีมาทําเดีย๋ยมาเผยแพร่อ๋อมีอุตรีมาทาได้เหรอจดจดจดจดจ ด, จดบอกให้ถังให้เลขาจด รู้สึกเลขาเนี่ยจะเป็นท่านล่มบุญหรือเปล่าไม่รู้แต่ น, นั้นไปที่โคราชนะนะแต่ดูว่าตอนนั้นท่านล่มบุญเนี่ยตอนนั้นก็ได้เลขามาบวกกับชาวอโศกนี่แหละะแต่ตอนนั้นท่านก็เป็นพระอยู่เป็นเลขาจานาจังหวัดเนี่ยบอกจดจดจดจ ด, จดนะได้อุตอติณิมุทภาพเนี่ยคุณนิเส็นเนี่ยได้ขั้นไหนเพราะท่านก็บอกว่าในฐานะที่เป็นอุปสัมปันเนี่ยผู้บวชแล้วด้วยกันเนี่ยบอกได้โสดาสกีทานเนี่ยผมก็ผ่านแล้ว โอ้อย่างงี้ด้วยเหรอโอ้โหโอ้ี่เขาก็ทําเอกาสารเผยแพร่ไปทั่วบมเลยว่าปาราชิกแล้วนะไม่ได้เป็นพระแล้วคือความเข้าใจของศาสนากระแสหลักเนี่ยเขามีความเข้าใจว่าถ้าประกาศคุณวิเศษแล้วเนี่ยประกาศเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าขาดจากความเป็นพระทันทีนะอย่างาาพระพรหมกุณาภรณ์เนี่ยเขียนเป็นประโยคทองเลยว่าผู้ที่ประกาศตัวว่า บรร ล, ลุเนี่ยก็คือประกาศว่าตัวเองไม่ได้บรร ล, ลุนีอันนี้ท่านเขียนในหนังสือพุทธธรรมเลยการประกาศว่าตัวเองบรรลุก็คือว่าก็คือเท่ากับเป็นการประกาศว่าตัวเองไม่ได้บรรลุดังนั้นคนที่ตัวเองไม่ได้บรรลุประกาศตัวเองบรรลุนั่นคือประราชิกดงั้นคนที่ประกาศตัวนั้นเขถือว่าประกาศเมื่อไหร่เนี่ยประราชิกแล้วเขก็ถือว่าเผ่าครูเนี่ยประราชิกแล้วไอ้วินัยเขาก็ไม่แม่นคือมันเป็นความเชื่อที่มีมายาวนานแล้วว่าใครในบอกไม่ได้แต่นี่ อาตมาล่าเรื่องนี้เพื่อเพื่พเราเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญเป็นเรื่องที่ทั้งโลกเขายึดถือมากนะพูดมาเนีถือว่าไม่ใช่เป็นพลาดเลยนะคราวนี้เราจะได้ว่าพ่อครูกับเราเนี่ยมันคนละไกลกันมากเลยคราวนี้เราเองเนี่ยไปประกาศอย่างพ่อครูบ้างเนี่ยจะส่งเสริมให้พ่อครูน่าเชื่อถือเลยว่าหมดศรัทธาก็จ <c> ะ <oughs> ได้ว่าเอ ไอ้กูพวกนี้มันมีแต่คนบ้องบอมบัวอะไรเงี้ยเดียวกันมั่งอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะมันมันมันมันมันก็จะทําให้คุณวิเศษของพ่อครูที่เราอยากจะพูดบ้างอยากจะประกาศบ้างเนี่ยจริงๆพรอครูก็บอกแล้วว่าถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะประกาศเมื่อไหร่เนี่ยให้พยายามตามจับอาการอยากประกาศนั้นให้ได้นะก็พยายามตามจับให้ได้รู้ว่ามันได้อยากกันเนี่ยจะเป็นอุปกิเลสอยู่นะก็ ก็แบบตรงนี้อยากจะเพราะว่าตมาเป็นห่วงสานนั้นท่านบอกท่านจะไม่เป็นไรท่านจะคุมสมวิตเอาไว้ย่างเงี้ะ น, นะกลัวว่ามันจะประทับคุมทันหรือเนีไปไปแล้วนะงั้ น, นมาคุมกันแต่ตอนนี้ดีกว่านะพยายามตาความเข้าใจเราคนไหนที่คิดว่าเด็งบรูลุบรรลุเนี่ยก็น้อยห น, น่อยก็ได้ตอนนั้นนะถ้าออกอากาศทั่วประเทศแล้วเนี่มันจะทําให้ดูมาเล่าใหฟังว่า เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ควรเขาถือสาแล้วก็ลึกยึดถือเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างเจ้าคุณนอเนี่ยโอ้โหมีอะไรเยอะแยะอาตามาเห็นลูกศิษย์ ท, ท่านทําหนังสือนะเจ้าคุณนอพระอริยะโสดาบันนะอาจารย์เขาเนี่ยเขาว่าขนาดโอ้โหมีอะไรเยอะแยะเนี่ยเขายัางยกย่องอาจารย์เขาว่าเป็นพระโสดาบันนะคือความเข้าใจของ ศาสนากระแสะหลักเดิมเนี่ยเขาจะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ธรรมดางั้นพวกเราก็ต้องเข้าใจสมมุติตรงนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ดีอ่ะคนที่จะเขาจะเขาคิดว่าขาบันรูเนี่ยเราไปห้ามก็ได้ยังไงอ่ะนะเขาก็มีความเชื่อมั่นในงันจริงๆแต่ก่อนเคยมีสมมนาเราเนี่ยเ อ, อประกาศตัวเองเป็นอหรหันเนี่ยนะอาตมาอยู่ต่างจังหวัดนะติดใจมากเหมือนกันฮะ อยากจะได้คุยกับพระละหันหน่อยนะพอเจอหน้าก็ถามเลยท่านเห็นบอกก็เป็นพระลรหันเลยท่านบอกโอ้โหแต่ตบอกผางเลยนะผมต้องมั่นใจที่สุดเลยโอ้แต่มาก็หายทงใสเลยคือความมั่นใจอย่างนี้เราจะไปเรายังไม่มั่นใจก็ต้องยกให้ความมั่นใจของเขาไปก่อนใช่ไหมมันเป็นความมั่นใจมันเป็นความเชื่ออย่างนั้นแล้วถ้าคนเป็นพระละหันเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหรอกเขาเป็นพระละหันแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไม่มีกิเลสนะนะคําว่า อาหานหรือบรรลุเนี่ก็ต้องไม่มีกิเลสถ้างั้นทําอะไรก็คุณจะต้องไม่มีกิเลสนะมันจะมีมีเตอร์จับแล้วแล้วว่าจะจะต้องไม่ไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสเนี่ยก็จะไม่ถูกต้องนะอย่างนั้นคนเขาจะประกาศเขารู้ ก, ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็ต้องทําให้แสดงตัวว่าไม่มีกิเลสมาไม่ได้นะก็เป็นการตั้งตนอยู่บนความลําบาก้ตั้งตนความลําบากอย่างหนึ่งของเขาเหมือนกัน ก็อาจารย์งคิดว่าเรื่องนี้บางทีมันก็ดูกันยากนะนมาอยู่กับพระท่านเองพระท่านเองก็ให้เคารพให้เคารพในความเห็นเคารพในความเชื่อของแต่ละคนเราก็ไม่ไม่เป็นไรใช้วันเวลาที่จะตรวจสอบดูกันแต่ประเด็นนี้ประเด็นนี้สิที่อาจามาอยากจะมาพูดก็คือประเด็นสําคัญ ท, ที่ที่คิดว่า ป้าหมายของชีวิตเนี่ยเราก็บรรลุทำมาตามลำดับอปแหละนะมันถึงจะเกิดความชัดเจนนะอย่างที่คุณแสงแก้วพูดเนี่ยถ้าเราฟังดูให้ดีเนี่ยเขาก็ประกาศนะว่าเขาสินห้าเขาบริสุทธิ์สินข้อที่สามเขาบริสุทธิ์เขาไม่คิดนอกใจอะไรเนี้ยนะอาตมาก็ดูว่าเออมันก็ก็เป็นความมั่นใจของเขาในระดับนี้นะคือ เขามีความมั่นใจในระดับนี้เนี่ยเขายังมีพลังได้มากกว่านี้เลยพวกเราคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์มากกว่านี้น่าจะมีพลังมากกว่าเขาอะใช่ไหมอันนี้คือคือคื อ, อมาถึอว่าเห็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าความมั่นใจยังไงความเชื่อมั่นทึ้งอัตมาคิดว่าถิ่งนี้ก็เป็นทิ่งที่สําคัญเหมือนกันคนเราในการมีความเชื่อมั่นเนี่ยนะมาเวลาสักผ้าเราซักผ้าพื้นใหญ่ๆเนี่ยเราเราต้องใช้ กำลังกำลังถ้าเราใช้บิดด้วยบิดด้วยสองมือของเราเนี่ยมันต้องใช้กำลังมากเลยแต่ถ้าเราหา เ, าเลาวรืออะไรเนี่มายึดไว้แล้วก็กค่อยหมุนค่อยหมุนก็ค่อยหมุนเนี่ยมีอะไรยึดได้ทักนิดหนึ่งเนี่ยเราจะใช้พลังงานไม่มากเลยหรื อ, เ, อเรือลำใหญ่ๆเนี่ยเราจะดึงให้มันอยู่เนี่ยมันดึงยากมากเลยแต่ถ้ามีหลักอะไรปักลงไปทักนิดหนึง่งแล้วก็เชือกผูกไว้เนี่ยเรือตัวนี้มันได้ไปไหนแล้วอย่างนั้นทิศทาง ความมั่นใจความเชื่อมั่นใครได้ก็ดีอ่ะเราก็อนุโมทนานะในสิ่งที่เขาได้เขามีเขาเป็นเออเราก็มาดูที่ว่าเอะเราทุกวันนี้เรามีความเชื่อมั่นเรามีความมั่นใจมันมีพลังของเราได้มากน้อยแค่ไหนเราก็มาทบทวนนะในสิ่งที่ว่าเอออย่างนี้เราเราเราชัวเรามั่นใจเราแน่ใจล้วทิศทางของผู้บรรลุธรรมเนี่ย มันมาคิดว่าคนที่บรรลุธรรมจริงเนี่ยยิ่งบรรลุธรรมมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจะลดตัวลดตนเพราะคนบรรลุธรรมเนี่ยเป็นทิศทางไปสู่ศูนย์ใช่ไหมงั้นเขายิ่งบรรลุธรรมมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งจะลดตัวลดตนลดความสําคัญของตัวเองมากไปเรื่อยๆนะถ้าคนบรรลุธรรมแล้วโอ้โหใหญ่เบ้เริ่มเทิมเลยนะแต่ตรงนี้ธรรมาว่ามันยากอย่างหนึ่งนะ คือเป็นไม่รู้ว่าแต่มาดูเจ้าสํานักแต่ละสํานักเนี่ยเจ้าสํานักทําท่าทางยังไงพูดยังไงลูกศิษย์เจ้าสํานักก็ไปแบบเดียวกันนะนะวัดวัดชนประธานหลวงพ่อปัญญาลูกศิษย์เวลาเทศเวลาพูดกับแบบหลวงพ่อปัญญ า, นา <Message. S 2> เนี่ยแหละนะเจ้าสํานักวัดสวนโมกลูกศิษย์อะไรก็พูดแบบท่นทานพูดท่านนั่นแหละนะข้อยกเว้นนี้ไม่ยกเ ว, นเวน้นแม้แต่ เจ้าสำนักของสันติอโศกลูกติดลูกหากนะ็ค่อนข้าขโมงโฉงเฉงเลยว่าพูดจาเอาจริงเอาจังเหมือนกับบรรลือเสียนาฏแต่พ่อครูก็เตือนเราจังไรว่าช้างขี้เนี่ยอย่าขี้ตามช้างนะโพธิสัตว์ระดับเจ็ดกับเราสัตว์ต้นสัตว์ต้นโพเนี่ยเรายังเอ eng เอ e อยู่เลยนะแต่ของท่านเองเนี่ยโอ้โหท่านดูคนละหลายคนละหลายรอบรอบกับเราอย่างมากเลย งนั้นเราจริงๆแล้วเนี่ยฐานะของเราจริงๆมันยิงน่งจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวให้มากที่สุดนะเราต้องลดตัวลดตนลงให้มากที่สุดนะแต่ว่าความที่เราฟังพ่อท่านทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเนี่ยมันเลยอัสโทซีดทําำมาเลยอัสโทซีดพูดไปพูดมาเลยไม่รู้วดีไม่ดีก็ของพอท่านหรือของเราก็ไม่รู้เหมือนกัน น, ะน่ะนะมันซึมซับเข้าไปในเส้นเลือดในลูคุ้มขนอะไรเนี่ยมันก็เลยทําให้ แยกในออกว่าของพ่อตันหรือของเราก็ถือดาบให้ซาโมรัยถือไปถือมาลําเองเลยนัที่ดาบเนี่ยเราข อ, อถือให้ซาโมรัยน ะ, นะแต่ใช้ดาบผิดนะอย่างไรก็ดีอะเอามากลับมาประเด็นนี้ว่างั้นคนที่จะบระรลุธรรมจริงๆเนี่ยก็ยิ่งจะต้องลดความสําคัญของตัวเองก็ยิ่งจะต้องลดตัวลดตนเพราะว่าการบรรลุเนี่ยคือการไปหาศูนย์ใช่ไหมงั้นก็ยิ่งจะยิ่งเป็นคนเล็กยิ่งเป็นคนน้อย ยิ่งเป็นคนศูนย์ยิ่งเป็นคนไม่สำคัญนะอาจมาเห็นเพราะท่านมองปัญหาปัญหาที่ f อ t v อมวีไม่ได้ออกทีวีเนี่ยเพราะท่านเอาไปพูดที่เทศทิวัดปาติว้วเขาก็ถามว่าอฟทีวีจะออกเมื่อไหร่ท่านก็ไม่รู้แต่ท่านก็บอกว่า <c oughs> ขอสชอทำถูกต้องแล้วนะให้เราออกทีหลังก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้นะ เขาทำถูกต้องเขาทำอย่างสุขุมมากนะคือคือคนที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยถ้ามีตัวตนของเราเนี่ยคิดไม่ได้อะนะี่ไปเออของเราดีๆนะเราทำเพื่อเทศชาติเราทำเพื่อเทศชาติตลอดไม่ได้อะไรเพื่อตัวเราเองเลยเอาเราไปปนกับพวกช่องที่มีปัญหาได้ยังไงเนี่ยคิดแบบตัวตนใช่ไหมแต่พระท่านคิดบอกว่ามันต้องอย่างนี้แหละ เขาต้องทำให้มันสุ ข, ขุมถ้าไปให้เราช่องเราออกเนี่ยช่องอื่นๆเขาก็อ่างได้ช่องแดงช่องอะไรต่างๆนะเขายังหลายช่องเยอะแยะเขาก็ต้องขอออกตามงั้นเขาต้องให้ช่องเราไม่ออกเนี่ยถูกต้องแล้วเขาจะทำอย่างสุ ข, ขุมมากนะในการคิดแบบไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, มองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมตัวตนไม่ได้เทศไม่ได้ออกไม่ได้อะไรก็ไม่มีปัญหา อย่างนี้ธรรมาเชื่อว่าบรรลุธรรมนะเพราะว่าท่านไปได้คิดเอาตัวตนของท่านเป็นหลักท่านคิดมองภาพรวมเขาให้หลอกทีหลังท่านยังบอกเลยว่าให้ออกก่อนก็ไม่ดีออกพร้อมก็ยังไม่ดีออกทีหลังเนี่ยแหละดีหรือไมใ่ให้ออกก็ไม่เป็นไรนะมันมันมันเป็นมุมที่มุมกิ่งเงี้ยคนอย่างเงี้ยคิดได้ต้องไม่มีตัวตนนะถ้ามีตัวตนจนะคิดไม่ได้นะท่านไม่ได้คิดถึงว่า โอ้ oh, เราสําคัญอย่างง้นอย่างนี้เรานี่มันต้องน่าหย อ, อกไปต่างนานแล้วเราทําประโยชน์เพื่อสังคมมาตลอดไม่ได้มีค่าโฆษณาอะไรเป็นน่าจะเป็นตัวอย่างของทีวีทั่วไปภาลนาขบระคุณเออยอะแยะมากมายไม่จบไม่ทิน้นนะแต่คิดได้แบบไม่มจัวตนเนี่ยโอ้โหสบายใจทั้งก็รยืนยันว่าท่านพูดเนี่ยท่านมีความสบายใจมากๆ ก, กนะกับการที่ท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านก็นจะบอกว่าตุลาทนน่านก็บวชว่าเนี่ยแต่มาเห็นอย่างงี้นะ แม้คอ ส, ออสอชอเขาจะคิดไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ท่านเห็นว่าคอสอชอเขาทำถูกต้องดีแล้วในการทำอย่างนี้แต่ามารู้สึกว่าทิศทางของความไม่มีตัวตนเนี่ยก็มีความสุขประเทศชาติสังคมก็มีความสุขคอสอชอก็มีความสุขโดยไม่ต้องมาคืนความสุขให้เรานะเราคืนความสุขให้คอสอชก่อน ปชาชนก็มีความสุกทุกคนก็แฮปปี้บวชเพราะว่ามันได้มีตัวตนของเราเข้าไปทําอะไรสังคมยุกงวุ่นวายนะก็ก็เป็นอีกข้อนหนึ่งที่ว่าเป้าหมายชีวิตของเราจะต้องชัดเจนนะชัดเจนได้เพราะว่าเราลดตัวลดตนลดความสําคัญของเราไปตามลําดับนะอันนี้คื อ, อไรายได้ของนักปฏิบัติธรรมนะเวลามันเลยมาแล้วเนี่ยนะแต่มาอยากจะอ่านตรงนี้คําบวชกันแล้วกัน รายได้สาคัญของนักปฏิบัติธรรมนะท่านเคยยังกับพวกเราไว้ว่าสําหรับอัตมาก็เจตนาเสียลังวัดนะถ้าออกมาอย่างเงี้ยก็เสียลังวัดจะิตธรรมบางคนเนี่ยบอกอะไรก็ดีบดนะ่ะแต่ยังเดียวมาทําการเมืองเนี่ยเขาเขาเลียกเลิกมาวัดเลยนะแต่ตอนนี้พอพ่อครูเลิกไปแล้วเนี่ยเขาเลยกลับมาต่ออย่างเงี้ยนะเสียลังวัดทั้งคนในคนข้างนอกก็ไม่เข้าใจามายอมเสียลังวัด เรามาช่วยโลกให้พ้นวังวนทางการเมืองคำว่าโลกนี่คือความวลนตามภาษาเรานะวนโลกนี่คือความวลนตามภาษาเราอาจามามีทิทธิที่จะมาช่วยคนด้วยบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มาแย่งอำนาจแต่มารับใช้จริงๆเพื่อหมู่ชนเป็นอันมากผูจชนะยิตตายะเพื่อความสุขของหมู่ชนเป็นอันมากภู้ชนะสุขายะเพื่อมาอนุค์โลกรับใช้รับใช้โลก โลกาณุกัมปายะพระเจ้ามีข้ออนุญาตอยู่ไม่ได้ห้ามไว้นะก็มาทําตามที่พระเจ้าบอกแหละให้ผู้ชนะชิตายะภูชนะสุขาญะโลกาณุกัมปายะศาสนาพูทต้องเป็นอย่างนี้นะแม้มาเก็บขี้เก็บเยี่ยวเก็บขยะช่วยเหลือกันนี่อาตมาผิดอะไรแม้คนจะทัวก็ตามเรามารับใช้ทั้งอาหารวัตถุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เราไม่ได้มาหาเงินหาทองอะไรแต่มาเล่ามาอธิบายโดยบริสุทธิ์ใจเป็นเรื่องของสังคมที่ควรทำก็มีคนมีปัญญาเห็นก็ออกมาช่วยกันนะก็มีคนมาช่วยด้วยถ้ามีแต่ชาวโศกก็ฟุบไปนานแล้วงานหนักขนาดนี้เราไม่ได้จ้างเราจนแต่เราก็มีคนอนุเคราะห์ช่วยเหลือกันผู้ที่มีจิตวิญญาณมีภูมิธรรม ท, ที่ทั้งความรู้และความเป็นไปได้ คือจิตมันรู้อย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสจิตมันดีอย่างนี้ศาสนาพุทธจะรู้ก่อนนะศาสนาพุทธจะรู้ก่อนว่าจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยจิตไม่มีกิเลสอย่างเงี้ยศาสนาพุทธจะรู้ก่อนแต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ต้องจัดการกิเลสเราเข้าใจว่าอย่างไหนดีก็พากันทําเรามีแรงงานมีความรู้เมื่อจิตเรารู้ก่อนแต่กิเลสไม่ยอมนะกิเลสไม่ยอมว่าอะไรเพราะขี้เกียจ พออยากได้ลาบอยากได้ยอดอยากได้สรรเสริญเราก็ต้องไม่เอาต้องย้ําเตือนตัวเองว่าเรามากําจัดกิเลสอันนี้ท่านก็พูดไว้ว่าออกมาเนี่ยบางคนอาจจะสู้สู้กับความขี้เกียจสู้กับความอยากได้หน้าอยากได้ยอดอยากได้ตําแหน่งอะไรก็ตามเราก็ต้องสู้นี่คือการกําจัดกิเลสการมาทําการนี้มีทั้งการปฏิบัติธรรมไปด้วยหลายคนมีกิเลสอย่างน้อยก็อยากได้ตสรรเสริญบางคนก็อยากได้ตําแหน่งบางคนก็อยากได้สิ่งตอบแทนเรียกว่าลาบ แต่เราก็ไม่มีให้หรอกต้องมาขัดเกลาคนมาอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าได้มีปฏิบัติจริงรายได้คือได้ล้างกิเลสคุณให้ได้แม้พยายามกดข่มบังคับใจมันก็ยังไม่บริบูรณ์ก็ตามถ้าเป็นวิถ้าเป็นวิปนวตนาวิธีก็คือว่าเห็นให้จริงว่ากิเลสนั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นนักขันตุ ก, กะมายึดพื้นที่จิตของเรามาแฝงอยู่ เราไปโง่ยอมกิเลสถ้าเรามีปัญญาก็อย่ายอมมันมันไม่ใช่เราอย่ามาอยากได้ลาบได้ยศได้สารเสรินที่นี่นะบางทีมีคนมาก่อนลาบพท่านก็บอกว่าโน้นลาบอยู่ที่ที่ตลาดโน้นแล้วที่ตลาดเดี๋ยวมาเอาลาบที่นี่นะเดี๋ยวมาอยากได้ลาบได้ยศสารเสรินที่นี่จะเห็นด้วยปัญญาจริงนะต้องเห็นด้วยปัญญาจริงและกิเลสก็ไม่มี คนทำงานอย่างไม่มีกิเลสไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยนะคนทำงานอย่างไม่มีกิเลสไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยคนนี้วิเศษนะนะพวกเราเป็นคนวิเศษนะมารับใช้อย่างไม่ต้องการอะไรตอบแทนเป็นโลกุตละธรรมการอยากได้ตอบแทนเมื่อทำงานก็ยังเป็นโลกีอยู่ในธรรมชาชีวะ 5ข้อสุดท้ายคืออย่าทำงานเอาลาบแลกลาบยาวความรู้ไปแลกเงินยาวสิ่งที่เราให้ไปให้แก่เขาไปแลกเงินสัมมาชีพห้าต้องพ้นมิจฉาชีพพ้นมิจฉาชีพห้าทำงานฟรีเสียสละให้แก่คนอื่นเมื่อรู้แล้วก็มาปฏิบัติจนจนจิตคุณไม่ต้องการอะไรตอบแทนได้จริงจนมันเที่ยงแท้ถาวรคือนิจจังของเรียบเที่ยงแท้ถาวร นะคือทุว่วงยืนนานคือสัตตังไม่แปรเปลี่ยนคืออวิปริอวิปรินามธรรมังไม่มีอะไรหักล้างได้อสังฮีลังไม่กลับกําเริบตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นอสังกุปปังนะอันนี้คือคืออะไรคื อ, อไรายได้ของนักปฏิบัติธรรมให้กิเลสมันตายนะไม่อยากได้ลาบไม่อยากได้ตําแหน่งไม่อยากได้สิ่งตอบแทน เราต้องให้ก่เลสพวกนี้มันตายอันนี้แหละคื อ, อไรายได้ของนักปฏิบัติธรรมอันเนี้คือคือเป้าหมายนะบางคนที่บางคนให้คำตอบว่ามาศึกษาที่นี่เพราะอะไรต้องการเป้าหมายที่ชัดเจนของชีวิตใช่ไหมใครรู้ว่าพราะครูไม่มีอะไรให้เราหรอกนะมีนี่แหละมีความยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่ ก, กลับคำเริบนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ก็เป็นอาตมาคิดว่า อันนี้เราระดับไหนเนี่ยเราก็ต้องไปทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะทุกวันนี้มันมีบุตรระดับไหนกดข่มด้วยเจโตกดข่มด้วยปัญญาหรือว่าตัดมันได้ขาดได้เลยก็แต่ละคนก็ไปทบทวนเอานะอาจจะมีข้อสองข้อนะที่จะมาคิดว่าน่าจะเพิ่มเติมแต่ว่าในใ น, ในวันนี้คงจะคงจะใช้เวลาเท่านี้ก่อนนะ เพื่อที่ให้เวลาพวกเราได้สังเคราะหนะ์กันนะก็การคิดว่าจะขอรัติวัตถะเพียงเท่านี้นก่อนแล้วก็พวกเราใครใครกิรานจะเพิ่มเติมอะไรหรือมีข้ออีกข้อวิจัยอะไรหรือมีคําถามอะไรนะก็ขอเชิญนะตลอดตอนนี้ขอพักตอนนี้น ะ, น, นะจะทำอ่ะดาวเพ็ญ แจกแตงโมให้ตำรวจนะไปถูกตำรวจตี <laughs> ส่งมาดาวเพนอะไร น, นี่ะมีแบบเอการ คะวันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะคะแม้ไม่ได้ฟังพ่อแต่ว่าแค่ฟังฟังท่านนี่มันก็มากเกินพอเพราะว่ามีหลายสิ่งที่เรายังทําไม่ได้มีหลายสิ่งที่ทเรามองข้ามเราประมาทเพราะฉะนั้นการฟังสิ่งที่ท่านช่วยย่อยช่วยขยายจึงเป็นเป็นสิ่งล้ําค่ามากเหมือนกันเช่นวันวันที่ท่านเทศให้ผู้ปกครอง ของนักเรียนบรรแม่นะคะช่วงนั้นในชั้นก็แอ บ, บฟังก็รู้สึกว่า เ, เราได้ประโยชน์ท่านท่านพูดเรื่องความกตัญญูพอพอเราตั้งใจฟังอย่างแยบคายแล้อยากกลับไปบ้านทันทีเลยอยากกลับไปไปไปช่วยแม่เมื่อวานนี้ก็ได้ไปจริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าน้ําใจเล็ ก, ลกๆน้อยๆบางทีเรามองข้ามเรานู่นไปมนุษยชาตินู่น โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันแตเ่เราลืมว่าแม่เรานี่เป็นมนุษยชาติคนหนึ่งเหมือนกันรู้สึกว่าแม่ในความสุขมากเวลาเราไปหาแม่ไปกราบแม่หรืออะไรแม่ก็อวยพรให้แบบสุดยอดเลยค่ะเหมือนอวยพรให้เหมือนพระอรหันต์เลยค่ะมแม่บอกว่าให้ช่วยพ่อท่านเข็นกงล้อถ้าทำมาจักโอ้ยแม่ก็ยิ่งหนักกว่าเราอีกอีนานอกวัดนน่นะค่ะรู้สึกว่ า, า, วาเอ๊ะ นบางทีเราอยู่ในวัดนี่เราประมาทเรายังบกพร่องอยู่แม้ศีลห้านี่บางข้อนี่เราโอ้ใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโอ้คำคำที่ท่านบอกท่านสอนแม้จะเป็นคําที่ไม่ลึกแต่มันซึ้งค่ะมันซึ้งสําหรับเราบางสิ่งเรายังทําไม่ได้แล้วก็เลยตัวนี้มันสร้างฮิลิโอตะปะให้เราเพิ่มมากขึ้นค่ะจนมันทําให้เราไม่กล้าพยองไม่กล้าว่า อัตตามันนะค่านี้นะบรรลุอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่กล้าเลยค่ะเพราะว่าตั ว, ต, วตัวหิหรีตัวนี้มันมันช่วยเราได้เยอะว่ามีแต่จากนี้ต่อไปคือเราต้องภาคเพียนเราประมาทไม่ได้แม้เล็กเน้อยน้ยจิปิจิปีนะคะเพราะว่เรามองข้ามเราอยู่วัดมานานก็จริงแต่หลายเรื่องเราประมาทแล้วไปติดขนมอย่างงี้ไปติดไอศครีมอย่างนี้อยู่ใกล้ขนาดไห น, นเราก็วิ่งไปหาวิ่งไปหา คนที่เขาศรัทธาเราแล้วเขาาก็ต้องซื้อให้เรากินใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาว่าเราทํางานฟรีมาหลายปีก็กินเท่าไหร่เวลาไปหาอาจารย์ค่ะไปเรียนที่ไปบ้านอาจารย์ที่ที่ทางพัทยานอาจารย์ก็รู้ว่าไอ้ลูกศิษย์คนนี้มันติดไอ้ติมอาจารย์ก็เลี้ยงมากเลยเพราะว่าเราทุ่มเทกับอาจารย์มากเราไปเฝ้าบ้านให้อาจารย์เป็นเดือนสองเดือนเลค่ะนี่แอาจารย์ก็ตอบแทนเราทําไมไอ้ติมไอ้ สองถ้วยถ้วยละสิบบาททำไมจะเลี้ยงลูกสิษย์ไม่ได้อาจารย์ก็บมเรือเราในที่สุดเราก็ตกม้าตายเพราะไอติ่มค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดหวังค่ะท่านกราบขอพระคุณท่านมากๆกสาธุเชิญทรกคุณขอาการบัญชการท่านค่ะอ่าอ่าเชิญ ภาพรมัสการค่ะดิฉันชื่อน้อมยอดไทม์แต่ว่าเขาเรียกกันว่ายายแจ้วค่ะดิฉันอยู่บุญยมนะคะแล้วก็ดิฉันตอนนี้มีมีสิทธิ์นอวบอแต่พูดพูดให้ฉันเรียนน้อยค่ะแล้วก็เขาก็จะไปไปทํางานที่ร้านนะคะดิฉันเห็นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ คิดอะไรมากค่ะแล้วก็ทำงานรู่แล้วค่ะแต่พอเห็นเขาไปเขาก็บางคนเขาก็ไปทํางานบางคนเขาก็กินข้าวแล้วก็กลับแล้วบางคนเขาก็ไปเลือกถาดถาดอันนี้ถาดเลือกสวันนี้วันที่สามฉันทำแบบว่าเลือกถาดไปออกไปทำไมเขาบอกว่าใครสั่งให้เลือกแขมบอกเขาบอกว่าถาดไปไม่ดีแล้วมันดีงั้นอย่างนี้แขมก็บอกเฉยเฉยว่า อ๋อเขาเป็นอย่างนี้เองอยู่างวันที่ท่านเทศน่ะแล้วดิฉันก็เลยคิดในใจว่าอ๋อเหมือนว่าเขาต้องมาเลือกถาดเพราะว่าพอเลือกถาดเสร็จเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวเขาก็กลับเดี๋ยวเราก็เอาถาดกลับมาใหม่ <c oughs> มันมันมันถาดมันไม่ได้เป็นไรค่ะถาดถาดมันอยู่มันอยู่แล้วทีนี่ฉันิฉันก็คิดว่าเราก็ยังก็ทําใจอยู่ว่าเราทํางานอยู่อยู่ที่อุทยานบุญยมนี่ ตอนนี้มีนิสิต ท, ที่เนี่ยเดี๋ยวเรียกผิดอีกแล้วแล้วเขาก็บอกว่าป้า เ, เดี๋ยวผมมานะแปดโมงชามที่กินกองไปก่อนเดี๋ยวผมมาล้างจีชันบอกไม่รอไม่หวังแล้วค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่างนี้แล้วก็ฉันก็ก็ไม่ได้ไมไ่คิดว่าใครจะมาทมาอะไรก็ได้เพราะเราทำอยู่แล้วค่ะแล้วจิตใจเราก็จิตใจเราก็แยบคายอยู่ใน ในใจของเราแล้วว่าเรามาที่นี่ทำบุญเสียสละเสียสละทุกวินาทีแล้วก็ได้ทั้งบุญทั้งกุศลที่พ่อท่านบอกก็อยากจะพูดมากมากแต่มันก็พูดได้แค่นี้ค่ะโอ้สาธุเคยฟังพวกเราบ่นบอกว่าวเขาทำนาที่บ้านทำเป็นร้อยไร่ไม่เหนื่อยตแต่ว่าทำนาที่วัดทำแค่สิบไร่มันเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยตรงที่ว่านัดกันแล้ว นัดกันแล้วรอไปรอมาก็ไม่เห็นมาท่าทีหนึงเลเหนื่อยตรงนี้แหละนะแต่นี้เขามีสูตรเด็ดไม่รอไม่หวังแต่เราทําไม่เหนื่อยอะไรเลยนะครับขอโอกาสครับผมเย็นยิ่งครับขอโอกาสสมณะทุกรูปจิตกามาดและก็พวกเราทุกคนครับคืออยากจะพูดประเด็นได้ว่าไม่รู้เขอาอะครับคือรู้แต่เราอะครับคือเมื่อไงผมมาขึ้นมาวันแรกครับ ก็งานเข้าวเรื่องไปลากแพรผักกับน้ำก็เชี่ยวทีนี้มันเกิดชาบชั่วขึ้นในจิตนะครับนี่แต่ก็ยังไม่ได้พูดให้ใครฟังก็อยากให้พูดให้ฟังหลงๆว่ามันเป็นไปได้ง่ายๆครับคือยังไม่ได้ท่านตั้งหลักครับถึงก็ท่านพอแล้วก็เอาเรือออกไปลากแพรผักเพว่าเออท่านพอแล้วท่านขับเรือได้แล้วเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ให้ท่านขับไปอนะ่ะทีนี้ผมก็เคยรู้ว่าเรือแหกเมืองแน่นี้มันล่นนะครับเวลาลากของหนักมันจะล่นมันจะไม่ตรงทิศทางครับ ตอนแรกเพรผักก็อยู่เหนือน้ําดีๆเลครับจะลากมาใต้น้ําก็ลากไม่ยากเท่าไหร่เลยครับทีนี้ท่าน mm. พอแล้วพอลากเรือมันดือ้อ เ, เพราะเพราะแพผักมันหนักทีนี้เรือมันล้นทีนี้มันก็ไม่ไปกรองทิศทางให้ท่านต้องการไงหมุนซ้ายมันไปขวาหมุนขวาไปซ้ายประมาณนั้นนะครับทีนี้ท่านก็คิดว่าพังงานมันติดครับท่านก็ทิ้งพวงมาลยัยมาดูวิ่งมาทางท้ายเรือมาดูว่าพังงาติดไหมผมก็นุ่ในใจไม่ใช่หรอก <laughs> ทีนี้ในขณะที่ท่านวิ่งมานะครับ ไอ้น้ำมันก็ไม่รอครับน้ำมันเชี่ยบมันก็พาแพผักไปด้วยพาเรือไปด้วยอย่างเงี้ยยังงทางพ้นเป้าหมายที่เราจะจะเ อ, อจะนําข้าวอ่ะครับมันเลยที่ของเราไปครับเลยที่เราไปนี่มันขึ้นไปใต้น้ําแล้วทีนี้ก็เออผมยังไงอะ่ะผมก็ต้องผมผมวางใจได้นะครับแต่ผมไม่วางตัวไงคือผมไม่ต้องกระโดดน้ําบอกว่าอย่างนั้นนะกระโดดน้ําไหวแต่บังเอิญผมไม่ประมาทผมใส่อยู่ชีพไง ทั้งๆให้เราแก่แล้วแต่เราก็ต้องกระโดดน้ําตั้งหลายรอบนะครับแล้วมีเด็กคนหนึ JI ่งครับ <advantages> นึ <Award> ่งเป็นล <pieces> ูกน <complete> ้องท่านเขายืนมองเราเฉยอะเนี่ยไอพูดไประเด็นไม่รู้เขาว่าเขายืนมองในเฉยจิตมันสังขารนันดีชาติชั่วเอ๊ะไม่รู้จักทํางานเหรือเป็นสิวเหรอต้องตอกเหรออะไรเนี้ยต้องล้ออะกระโดดเรือลอยไปเรือเรือเชือกดูดเรือเล็กเชือกหลุดเราก็กระโดดน้ําไปกลางไม่น้ำว่ายไปหาเรือจับเรือเขาก็ยืนมองเฉยใจมันรู้สึกไม่ชอบใจแล้ว อะไรคนๆๆๆๆรหนุนแท้ปล่อยคนแก่กระโดดน้ําหลายครั้งแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ท่านพอแล้วก็ลากไปก็ทํำไม่ถูกแล้วทีนี้ผมก็ตัดสินใจตักคือใช้ใช้คำพูดมันมันดังเหรครับเพราะว่ามันต้องแข่งกับเสียงเครื่องเสียงเครื่องอครับทีนี้ว่าท่านดันเข้าไปเลยดันก็ฝั่งโน้นเนี่ยเดี๋ยวไปกระทบกระชังเขาเสียเป็นแสนนะเขาเรียกเท่าไหาร่ต้องให้เขาว่าผมใจมันตึกตักตึกตักไงครับ แต่ก็พยายามวางใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับแต่ผมพยายามใช้ปัญญาเท่าที่ตัวเองมีประสบการณ์ให้ท่านดันก็ฝั่งทางโน้นแล้ให้โทรศัพท์เรียกการทนไปช่วยอ่าวเจ้เด็กคนนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้ทําอะไรตามที่เราคิดนะเขาน่าจะทำะครับถ้าเขาช่วยเราก็เบามือมากในคิดอย่างนั้นนะคือประเด็นเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขามาลุ้ทีหลังว่าเขาไม่เป็นนะครับเขาไม่เป็นเรื่องนี้เลยแต่เขาเป็นช่างที่มีฝีมือครับแต่วั น, น, นผมบอหลังจากที่เรือเข้าที่เรียบร้อยผมก็ยกมือไหว้ขอโทษเขา บอกขอโทษนะลูกนะที่ลุงพูดไปด้วยคําแรงๆคําดังๆเพราะว่าลุงนี้อดีตมันเคยเป็นไต้กลองเรือนะไต่กองเรือนี่เขาไม่แค่พูดอย่างเดียวเขาด่าแม่ด้วยประมารนี้ครับขอโทษเลครับคือคือมันต้องเร็วมันต้องต้องทันทันฟันกับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไงทีนี้ยกมือไหว้กราบขอโทษเขาเขาก็รับไหว้เขาก็ากงงแบบไม่ชอบใจเหมือนกันตอนแรกครับแต่บัดนี้ผมก็เข้าใจเขา แล้วเข้าใจตัวเองด้วยเขาก็เข้าใจผมก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าแฮปปี้แฮปปี้ครับเนี่ยผมเลยอยากจะเสือเห็นว่าไอการที่เราไม่เข้าใจเขานะครับทําให้เราเข้าใจผิดแล้วรีบสรุปว่าเขาไม่เขาขี้เกียจเขาดูดายเขาไม่สนใจที่จริงไม่ใช่นะครับเขาไม่ถนัดจริงๆที่จะทําอย่างเราทํำนะครับก็เป็นเรื่องที่เสียใจแต่เราก็ปรับใจได้ว่าเออเราก็กราบขอโทษเขาเขอเข้าใจเราก็แค่นี้นะครับ ขอบคุณมากครับโชคดีถ้าเดินไปอยู่ตรงนั้นด้วยก็คงถูกด่าไปด้วยแหละถ้วาว่ายน้ำไม่เป็นยิงไม่กล้าทำอะไรใหญ่เลยต่ออ่ะค่ะ ข, ขอากาสดค่ะเนียนใจค่ะก็อยากจะพูดเรื่องที่ไปชุมนุมนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ ไปชุมนุมนี่ฉันก็มีที่มาที่ไปหลายเรื่องนะหลายอย่างที่ตัดสินใจไปชุมนุมนะคะอย่างแรกเลยก็คือรู้ว่าเวลานั้นเนี่เป็นเวลาวิกฤตของประเทศแล้ว<ม>ก็มองเห็นว่าเวลานี้มันเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดคือยังไงก็คงต้องเลือกต้องเลือกการไปชุมนุมนะคะและโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญก็คือที่บ้านทีฉันเนี่ย บ้านพ่อเนะคะ่ค่ะเป็นเสื้อแดงอะคะ่ะก็คือที่บ้านพี่น้องมี9คนเนี่ยจะเป็นเสื้อแดง8นะคะมีดิฉันเป็น เ, เขาเขาให้ชื่อดิฉันว่าเป็นเสื้อเหลืองซึ่งดิฉันเคยบอกว่าจริงๆไม่ใช่แต่เขาก็ทําความเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ดิฉันก็พยายามจะหาเหตุผลนะคะพยายามจะคุยให้ฟังว่าขอเวลานะคะขอเวลาที่ที่จะให้ทางบ้านเนี่ยให้ดูเรื่องราวไปก่อนอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งตัดสินใจหรือว่าตัดตัดสินใจว่าใครถูกใครผิดทีเดียวให้ใช้เวลาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้รับไม่ได้รับ เ, เขาก็ไม่ยอมรับเรื่องนี้ค่ะคือเขาก็คิดว่าเป็นนักปฏิบัติทำอะไรเนี่ยไปวุ่นวายอะไรกับทางบ้านเมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันก็คือกลับบ้านไปก็จะถูกถูกทางบ้านชี้ ชี้ความความผิดนะคะคือยกความผิดที่ฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าความผิดของอพันธมิตรทั้งหมดหรือว่าของเสื้อเหลืองทั้งหมดคือมาตกอยู่ที่เราเมื่ออยู่ในส ถ, ถานการณ์อยู่ที่บ้านนะคะดิฉันก็เลยมีใจมุ่งมั่นมากว่าจะทำยังไงคืออย่างน้อยๆในเมื่อบ้านเรา8ดคน9คนเป็นเสื้อแดงแล้วแล้วเขาเชื่อเขาเชื่อมั่นมากนะคะว่าที่ทักษิณทำเนี่ยคือเขามาช่วยคนจนนะคะ คือเขาเชื่ออย่างนี้เพราะว่าแถวบ้านเนี่ยเวลากู้เงินเนี่ยเขาไม่มีเงินไปใช้หนี้ทกศเนี่ยเขาไปกู้เงินกับทางเาท่าแก่อะไรเงี้ยดอกมันจะแพงมากทีนี้พอมีเงินล้านเข้าไปเนี่ยทำให้ช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยจ่ายดอกถูกลงอะไรเงี้ยเขาก็เลยมั่นใจบอกดูสิเห็นไหมสอสเนี่ยไม่มีใครบ้างที่จะทําแบบนี้ไม่มีเคยใครทําหรอกก็มีแต่ทักษิณ น, นี่แหละมาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเราไม่สามารถจะยังไม่รู้นะไม่มีปัญญาอะไรที่จะอธิบายแบบบางที่มันนึกคําไม่ออกเวลาไปที่ชุมนุมทีหนึ่งคนที่เขาเป็นวิทยากรออกมาพูดเราก็นึกได้ทีนึงพอกลับไปพอเขาพูดอะไรใส่เราเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้เขาเข้าใจได้น ะ, ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเนี่แหละคนหนึ่งจะขอเอาตัวเรานี่แหละคนหนึ่งเอาไปเหมือนทดแทนนะคะเหมือนไปใช้หนี้อะคะ่ะไปใช้หนี้เพราะว่ารู้สึกว่าหู เห็นวิบากของการที่คนที่ไปเข้าข้างคนที่ผิดนะคะเห็นเลยว่าคนที่ไปเห็นด้วยโดยที่จะด้วยปัญญาน้อยไม่ไม่ได้ข้อมูลครบหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วต้องตัดสินใจไปอยู่ข้างของคนที่ผิดเนี่ยมันเป็นความน่ากลัวอย่างมากนะคะดิฉันรู้สึกแบบหนาวๆร้อนๆทุกครั้งที่ได้ยินว่าโอ้เนพ่อท่านเวลาพ่อท่านเทศบอกว่า มันจะบาปมากขนาดไหนเนี่ยไม่รู้จะหาที่ให้ตกนรกตรงไหนให้อยู่แล้วทักษณิณนะคะแบบมันไม่รู้มันทำบาปมากมายอะไรเงี้ยที่ฉันพิได้ยินครั้ง<ย>นึงก็รู้ <ขอ S 1> สึกคาทชชอเขาจะไม่สบายใจนะพูดเรื่องการเมืองเยอะไปหน่อยค่ะ อ, อ๋อค่ะค่ ะ, คะก็เลยค่ะฉันก็เลยมีความรู้สึกว่า <c oughs> ได้ตัวเองก็เลยได้ไปได้ไปฝึกตัวเองนะคะไปฝึกฝนตัวเอง แล้วก็ได้เห็นว่าเราก็ได้ฝึกจากตรงการไปครั้งนี้หลายเรื่องนะคะได้ไปหลายเรื่องคือไปฝึกเป็นคนรับใช้นะคะไปได้ดิบได้ดีที่ชุมนุมก็คือไปเป็นสาวเสิร์ฟนะคะก็คือไปรับใช้คอยดูแลนะค ะ, ะแขกเหลือที่มาะะที่มาร่วมรายการอะไรอย่างี้ค่ะก็รู้สึกว่ า, าตัวเองได้ฝึกความอดทนนะคะฝึกที่จะต้องทำงานกับคนต่างจริต่างนิสัย แล้วก็ได้ลดได้ลดความเป็นตัวของตัวเองลงไปะคะลดตัวตนของตัวเองเพราะว่าเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเวลาตัดสินใจในการทำงานบางทีมันร้ายมากเราก็ต้องระมัดระวังในการทำงานร่วมกันนะคะก็เห <c oughs> ็นหลายครั้งที่เราต้องต้องต้องถอยน ะ, ะบางบางเวลาเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องถอย เพราะว่าถ้าเราถ้าเราจะเอาความคิดของเราไปไปชนกันเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งเป็นผลเสียก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราถอยมาตั้งหลักแล้วก็ตั้งลาใหม่อะไรยเงี้ยค่ะก็รู้สึกได้ประโยชน์จากการไปครั้งนี้นะคะทั้งส่วนตัวแล้วก็ได้ทําส่วนรวมค่ะก็คงฝากไว้แค่นี้ค่ะสาธุกราบขอการค่ะที่ฉันเนพิ่งบุญค่ะก็พอดี ก็มือไม้เย็นหมดนะคะที่จริงมันนี่อยากจะพูดแต่ว่าต้องฝึกนะก็พอเจอพอดีมาเจอสโศกโลกอัตตาแห่งอาณาปานสติมันโดนใจนะคะคือว่าอัตตาไม่ใช่อัตตาอัตทะอัตทะคือแสดงว่าต้องจ้องจัดการอัตตาอย่างเดียวเลยนั่นเนี่ยเพราะว่าช่วงสองสามวันนี้อัตตาขึ้นก็ จริงนะคะดีที่ว่าท่านมาปา์มไว้ก่อนก็คือว่าที่จริงแล้วเราก็มาตรวจตัวเราน่ะเวลาฟังธรรมก็เหมือนบรรลุธรรมแต่เวลาเราทำงานนี่เราจะเจอภาษาจริงมันไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะะวันนั้นวันนั้นทาวัดเสร็จก็พอดีมีคนเขามาล้างที่ทำผักอ่ะเราก็เวลาน้อยใช่ัหม มีคนมาแชงล้างก่อนอะไรเงี้ยคือเขาไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่ของเราสัมปทานไว้แล้ว <laughs> <laughs> <laughs> เราก็เลยพอเห็นเข้าเท่านั้นอ่ะอุ้ยมันสว่างแล้วอะไรเงี้ยคือมันขุนอยู่ในใจแล้วรีบไปสงบอารมณ์แล้วก็ไปกินน้ำงาก่อนเอา้ากลับมาอีกอุ้ยมันยังไม่หมดง่ายๆเลยมันขุนมันยะพอได้ออกมาหน่อยพวกเพื่อนๆเขาบอกผ่านแล้วนะหน้ายังยิ้มอยู่บอไม่ผ่านแล้วค่ะ ในใจมันยังพอได้ยิ่งยิ่งมีเพื่อนด้วยนะเพื่อนด้วยก็เลยมันก็เลยบ่นออกมาว่าอะไรทำอะไรไม่มาปรึกษาก่อนอะไรเงี้ยมันคือว่ามันทั้งที่เรารู้ว่าเราคุนใจแล้วนะเราหลบไปแล้วนะมันยังไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆเลยเมื่อมันมีภาษาจริงนะคก็คืนนี้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วมอเช้านี่เองอนะพอล้างผักเสร็จ ก็มีเวลาหน่อยก็เลยไปขัดห้องน้ำขัดห้องน้ำอยู่มันก็ยังไม่เป็นอะไรพอเดียวเด็กเขาเดินมาเด็กเขาเด็กนักเรียนค่ะเดินมาจะเข้าห้องน้ำแต่นี้เราก็รู้อยู่ว่าเด็กที่โรงครัวเนี่ยพอเขาทำงานเสร็จเขาจะต้องมาขัดห้องน้ำไเอา้านี่มันคือผัส่าอีกแล้วเราก็เลยถามเราก็ไม่กล้าแสดงอะไรเห็นเด็กเขามองเราอย่างตาแปว๋วแปมาคออยู่สองาคนก็เลย ใจมันก็จักกุนขึ้นมาอีกแล้วว่าทำไมเด็กมันไม่มาขัดอะไร <c oughs> <n ith> <n ith> นี่ก็อีพาสสามันไม่ได้จะผ่านง่ายๆทั้งรู้อยู่ก็ยังกระ <c oughs> แนะกระแนอีากบอกว่าเด็กอยู่ฐานไหนเนี่ยเขาบอกเขามาจากฐานจูรินซีบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นฐานโงครัวนะเดี๋ยวจะต้องว่าสั ก, กหน่อยว่าทำไมไม่มาขัดห้องน้ําสักวันนี่มันก็ยังออกไปอีกอย่างนี้เห็นไมมันไม่ใช่ง่ายๆเลย <c oughs> อันนี้มันก็คือว่าเนี่ยอันนี้มันทําให้เราได้เห็นของจริงนะฮะว่ามันไม่ใช่บรรลุทําได้ง่ายๆหรอกมันต้องมีภาษาอีกหลายเลยแต่ว่าเช้าดีหน่อยหนึ่งที่เราไปเจอผักบุ้งนะมันเป็นพบของเราน่ยผักบุ้งแปลงหนึ่งน้ำมันลดมันก็คาอยู่บนต้นถั่วนะมันอ่อนมากอ่อนกรอบอนนี้เราก็มีพบว่าถ้าเด็ดยอดแล้วจะต้องลากมันลอยขึ้นมาให้มันโดนน้ํา แล้วก็มีพบของเราว่าแปลงเนี้ยมันยังมีเลนอยู่ก็เลยบ่ายวันนั้นร้อนมากเลยเมื่อวานก็ไปเอาเสียมขุดดินขึ้นมากบให้มันลงไปเอาลากที่มันลอยน้ําขึ้นมาให้มันลงไปแต่นี้มาช้าไปเก็บอีกที่อีกสองก็ยังพอได้กินพอดีมีเด็กของของอเมลนะคะบอกว่าป้าผมจะมาจะมาเอาผักบุ้งตรงนี้ไปปลูกที่บ่อเอาเราคิดในใจพบเราสลายแล้วอูตสาห์ โอ้ยก็คิดอยู่นานว่าเอ า, เอาเอาไ ป, เ, ปเอาแปลงนู้นไม่ได้เลยก็เลยบอกเด็กเด็เขาก็ตัดอยู่แต่นี้เราก็ทําใจในใจว่าเอาพบสลายก็สลายไหนไนก็เด็ดยอดมันแล้วก็เลยทําเป็นพิธีหน่อยคือเด็ดตัดกิ่งที่เขาต้องการนะให้แล้วก็โยนเขาให้เขาก็คือว่าเนี่ยกิเลสมันมันลดไปหน่อยเดียวเองก็คือแค่นี้ฮะพอรู้ว่าอ๋อเนี่ยนะเรียกว่าพบเราทําอยู่คนเดียว เราก็คิดของเราไปคนเดียวแต่ว่ามีเพื่อนเป็นภาษะมาให้เราได้เห็นนะคะ ก, ก็กากนมัสการค่ะมีแค่นี้เขา อ, อกาสค่ะดินชันดินเย็นชาวหินฟ้าค่ะพูดถึงเรื่องรู้เขารู้เรานะฮ ะ, ะรู้เขาก็คือดินั้นนะะก็คือสิ่งที่ผ่านมาก็คือเห็นคนอื่น อิเลสคนอื่นง่ายกว่าตัวเองนะค่ะเราก็จะมองในแง่ว่าเออมันก็ทั้งสรุปเขาก่อนเข้าไม่เราไม่รู้เราก็สรุปเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะพอแกะวัดเข้าเราก็เยอะเออคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีหมอนี่ก็ไม่ดีมีแต่คนไม่ดีค่ะในในใจของเราฮะเอ้าพอคิดไปคิดมา เอออย่างนั้นก็แกก็ดีเสคนเดียวสิแล้วก็อยู่คนเดียวเ ส, สียสิว่าเอ อ, เ อ, อตัวเองดีคนเดียวก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เออแล้วก็เรื่องก็ไม่จบเราก็จิตเราก็จะ ค, คิดูคิดชั่วไปเรื่อยๆว่าคนอื่นไม่ดีนั่นแหละในที่สุดเราก็ต้องหันเข้ามาดูตัวเอง ว่าเราไม่ดีอะไรมันตัวเรามันคืออะไรจริงๆก็คือตัวเรานั่นแหละสิ่งที่เราว่าเขาไม่ดีก็คือเข้าตัวเองว่าเออเราก็เป็นอย่างนั้นเราถึงได้ว่าเขาว่าเขาไม่เป็นเป็นอย่างนีนะ้คือมันไม่ถูกใจตัวเองเนี่ยฮะขอบคุณค่ะสาธุดี<อ>จัดการมันทันนะก่อนที่มันจะไปจัดก่อนที่มันจะไปจัดการคนอื่นขขนะครับขอกราบนะครับผมเท้าแกงทำนะครับอขอแสดงความคิดเห็นนะครับ ในความเห็นของผมในความเป็นอนุยะของผู้ศรัทธานะี <c> ่ะ <oughs> มันจะมีลําดับมีขั้นตอนที่จริงแล้วมันจะมีทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ที่พอที่จะมองเห็นได้นะครับในระดับของโสดาบันเนี่ยท่านก็จะต้องมีพุทธธรรมเจ็ดพอสมควรในระดับหนึ่งเป็นเบื้องต้นนะครับถ้ายิ่งไปสกิทาคามีนีกนะฮะ ทั้งพุทธิธรรมเจก็ยิ่งมากขึ้นระดับสองสิ่าคามีเนี่ยจะเริ่มที่จะใช้มหาประเทศสี่มากขึ้นอะไรควรอะไรไม่ควรยิ่งถ้าเป็นระดับของอนาคามีด้วยแล้วนี่นะครับจะให้หลุดถึงความบกพร่องอะไรต่างๆนะที่จะมันเป็นเรื่องของการเบียดเบียนจิตวิญญาณของคนอื่นเนี่ย คงจะเป็นไปได้ยากเพราะท่านควบคุมมากนะครับแต่นี้ยังมีพวกเราเนี่ยที่ที่ได้เห็นเห็นนะครับเสียงหนึ่งนะครับไ ม, ไม่ต้องถึงสองนะ <c oughs> ในความเห็นของผมนะฮะก็รู้สึกเสียแทรกซองแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้มหาประเทศศีไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนนะฮะการควรหรือไม่ควรฉะนั้นในถ้าหากว่าเป็นความเข้าใจเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ผิดพลาดยังไงท่านช่วยแต่ขอให้ผมด้วยกันละกันว่าในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยในภพภูมิของระดับสิทธทานะฮะจนกระทั่งไปถึงอนาคามีแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่จะระแวดระวังเรื่องของกรรมสามที่สุดนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเบียดเบียน ด, ด้วยประการทั้งปวงนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนี่เป็นความเห็นนะครับถ้าผิดถูกยังไงท่านช่วยกรุณาด้วยครับ นัการครับก็น่าจะก็เขาสมควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าภูมิของสกิทาก็นะก็ก็ควรที่จะเป็นผู้ละราคะโทสาให้เบาบางลงเนี่ยก็จะต้องตามอ่านจิตนะรู้กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของตัวเองได้มากขึ้นมันก็จะต้องก็ต้องมารับระวังกรรมสามของตัวเองได้แหะจากสกิทาไปหานาคาใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นงั้น งั้นการประมาณอะไรต่างๆนาน า, นาเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องมากขึ้ น, นธรรมดานั้นอริยะกับอริยะเนี่ยมันน่าจะทิศทางยิศสอดคล้องกันนะอริยะเนี่ทิศทางก็ก็จะยิ่งลดความสําคัญตัวเองไม่สาคัญตัวเองก็น่าจะมีคนเชื่อถือศรัทธาบางคนก็ไม่ได้เป็นนักบวชเลยอย่างพรหมทิชัยอย่างเงี้ยอยู่ที่ชมรมรอนี่จนแม้แต่คนข้างนอกเขายังมองเลยว่า เมนาวจะเอาพระมาล้างถ้วยล้างชามเนี่ยเขายังมองว่าพระนิชัยเป็นพะระเลยว่าเหมือนกขาคือรูปแบบความสงบอะไรของเขาเนี่ยคนก็จะมองออกว่าอันนี้ถึงเขาจะแต่งตัวคารวะเนี่ยแต่เห็นกายกรรมวจีกรรมมนกกรรมที่เขาต้องผัดได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแมเา่เอาเอาพระมาทํางานอย่างนี้นะแม้เขาไม่ได้เป็นรูปแบบนักบวชแต่ว่าคนทั้งทั้งคนที่อยู่ร่วมด้วยคนที่ต้องผัดด้วยก็จะรู้ว่า เขามีส่วนระมัดระวังกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมของเขาอย่างไรงอ้คนที่เป็นอริยะทางศาสนาพุทธอามาแกมันก็น่าจะสอดคล้องกันยกเว้นอย่างที่พรอครูบอกว่าบางคนเป็นวาสนาบา ร, รมีจริงๆอะที่จะมีบางคนที่เป็นแบบพูดออกมาก็เหมือนเป็นคนปากกล้ายอะไรที่เรียกคนอื่นก็เจ้าคนถ่อยเจ้าคนถ่อยอะไรเพราะว่าเกิดมาเป็นพรามณ์ห้ารชาติเกิดมาก็เป็นชนชั้นสูง แม้เป็นพระฐานแล้วก็ยังติดนิสัยอย่างนี้อยู่อะไรเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าโอ้ยต้องยกเขาไวเ้เถอะเพราะว่าเป็นวาสนาบารมีซึ่งพระท่านบอกว่าไอวาสนาบารมีเนี่ยมันแก้ยากกว่าทําให้ลดกิเลสอีกนะเพราะว่าสนาบารมีเนี่ยเป็นร้อยชาติพันชาติไอลดติกิเลสเนี่ยเราอาจจะมีสะสมชาตินี้ชาติเดีย ว, วแต่วาสนาบารมีเนี่ยมันติดมายาวนานมันแก้ยากกว่าแต่เด็กยกไว้สำหรับ พลาลัดอย่างเงี้ยน ะ, ะเชิญใครต่ อ, อคุณางามาดีง่ายพี่ฮันฟังบุญค่ะเชิญฟังฟังอริยะกับอริเยอะโอ้ <laughs> ฟังแล้วเนาวเลยนะ <laughs> คือไม่มีปัญหาแต่มีปัญญาหนิฟังแล้ว เหมือนฟังเล่นคำนะคะแต่ชีวิตความเป็นจริงเนี่ยแค่ถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจเราทำไมเขาเป็นอย่างนี้ปัญญาก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วคะแค่ถามอย่างนี้ทั้งวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคะ่ะผลของคำถามก็จะทุกข์แล้วก็จะออกทุกข์ไม่ได้หาทางออกไม่ได้ก็ ก็จะไปซุปแม่โคค่ะซุปแ ม, มโคหรอซุปม่โคเลยซุปม่คนี่จะสงบศรัทธาซุปแมโครตรงที่น้ําซุปนี่คำแรกนี่ให้เคี้ยวก่อนก็ก็ได้ฟังมานะคะได้ฟังมาให้เคียวก่อนก็อ้าวก็จะก็จะไปคําทางหาว่าหาจะไปหาคําตอบว่าทําไมเป็นอย่างนี้แล้ ไ, ไปหาคําตอบ ก็เดินหาค่ะเพราะว่าเพราะว่าคําถามแต่ละวันนี่มันเยอะไปได้คําตอบไปก็โอ้ยดิฉันฟังคําว่าอริเยอะนี่อริในตัวเองนะคะทำไมเยอะขึ้นอยู่วัดนานก็ยิ่งเยอะก็เลยไปหาอาศัยนอกตัวค่ท่านอาศัยนอกตัวแถวนี้แหะค่ะ ก็พยายามมาตั้งใจมาหาทางออกมาฟังแต่อะไรก็รู้หมดนะคะอยู่วัด น, นานเนี่ยมันรู้แต่ออกจากตัวเองนะ่ะวันนั้นบอกพ่อครูไปก็ว่ามาหาออกอยู่ที่นี่พรอครูบอกว่าจะต้องออกตลอดเวลาไม่ใช่มาออกแค่ที่ศาลาเท่านี้โอ้วันนี้ก็ยังค้า ง, างอันนี้อยู่อีกค่ะเนี่ยว่ามีปัญหาเนี่ย โอ้พ่อครูคิดยังไงนะคิดได้ตลอดเวลาว่ามองแบบไม่มีตัวตนเนี่ยโอ้จะต้องเดินทางของเรานะต้องตามจับตัวตนทั้งวั น, น, นเนี้ยคะ่ะก็ตามจับไปก็วันนี้มาได้มาได้คำตอบว่าตามจับที่จะได้พบเนี่ยเราจะต้องอ่านใจจริงๆคะ่ะท่านท่านมองว่า จะต้องอ่านใจเมื่อก่อนแค่ว่าอย่าเพอ้อใจอย่าห่างใจทําใจทุกอย่างที่ฟังไปนี่อยู่ในใจหมดนะคะจะว่ากายเวทนาจิตธรรมอะไรเจตนาผัสสารมาสิกาอะไรอยู่ในใจทั้งหมดเลยจะต้องรู้ใจให้ได้จริงๆว no นบนี่เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าไปในใจถึงใจแล้วถึงจะไปโลกุตาละค่ะก็ พยายามจะไปค่ะกราบขอพระคุณค่ะสาธุครับ ข, ขออกาสครับครับกราบนมัการครับสมนาสิกามาศแล้วก็ขอจะเดินทาญาติที่ทำทุกคนวันนี้อ้างอิงวิชาการนะครับมาศเป็นนักวิชาการได้ไหมครับผม <laughs> คือคือว่า ผมต้องต้องไปหลายวันนะครับวันนี้ต้องพูดหลายหน่อยอครับพรุพ่งนี้จะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับเพราะผมต้องไปกรุงเทพพรุพ่งนี้แล้วจะเลยไปนครศรีธรรมราชอีกหลายวันกว่าจะได้เจอกันนะทนฟังหน่อย <c oughs> ครับแล้วผมนี่ยก็เจ้าเก่านะครับงามดีมากสบายมากคืออ๋อ ในไหนก็หยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็เราเนี่ยเรามาอยู่เมืองอุบลราัานีในเมืองดอกบัวเราก็ต้องพูดถึงเรื่องดอกบัวดอกบัวสีเหล่าบุคคลสี่เขาบอกว่าดอกบัวเหล่าแรกเนี่ยบัวพ้นน้ําจะบานในวันนี้จะมีหรือเปล่าก็จะบานในวันนี้อุกคติตันอยู่อุคติตันอ ย, ยู่ผู้ฟังแต่หัวข้อธรรม ก็บรรลุมากผลนี่คือบัวพ่นน้าจะบานในวันนี้นะแล้วก็บัวเหล่าที่สองคือบัวปิ่มน้ําจะบานในวันพรุ่งนี้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่บานนะวันนี้พวกบัวเหล่าที่สองนี่จะต้องบานพรุ่งนี้อาจจะฟังธรรมวันนี้เลยจะไปบานพรุ่งนี้เขาเรียกว่าวิปวิปปจิตันยูผู้ฟังคำคำอธิบายธรรมพิสดาร โดยเฉพาฟังผมนี่นะค่อนข้างจะพิสดารอยู่นะครับจะบรรลุมรรคผลครับไอเนี้ยแต่ว่าวันนี้ไม่บรรลุนะพิสดารขนาดไหนก็ต้องบรรลุพรุ่งนี้เอาไปคิดสักคืนหนึ่งแล้วก็เหล่าที่สคือบัวในน้ําจะขึ้นบานในวันมารืนนี้ไอเ น, นี้ต้องคิดหลายวันหน่อยเหล่าที่3นี่ต้องมารืนนี้ต้องใช้เวลาสองวัน พวกนี้เขาเรียกว่าเนยยะเนยยะบุคคลพวกนี้ต้องเป็นผู้หมั่นฟังธรรมนะต้องขยันมานะพวกสมวันบานพวกส อ, สองวันบานเนี่ยต้องขยันมาต้องหมั่นฟังธรรมพวกเนยยะบุคคลในนี้ผมว่ามีเยอะพวกนี้นะไม่ใช่ผมผมว่าผมดูไม่ผิดหรอกไม่ใช่ดูถูกแต่ถามพิจารณาแยกใคร และข้อสำคัญที่สุดคือครอบหามิตร ด, ดีก็บรรลุมรักผลพวกเนยยะบุคคลนี่นะที่พระท่านพยายามให้พวกเรามารวมกันนะให้มาครอบหามิตร ด, ดีที่ผมว่านะ่มิตร ด, ดีสงหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยเป็นทั้งสิ้นเนี่ยนี่เราจะมาช่วยพวกเนยยะพวกนี้ใช้เวลาสวันถึงจะบรรลุทำได้ส่วนเราที่สบัวใต้น้ำ จมโคลนตมไม่อาจพ้นน้าขึ้นมาบานพวกนี้คือพวกปะท ะ, ะปารมัตปทปารมะคือแม้กระทั่งผู้ฟังพุทธพจน์ก็มากพวกนี้นะพวกปะทะปารมาบอกสอนเขาก็มากแต่ไม่บรรลุมรผลในชาตินี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะพวกนี้นะผมก็คือต้องตรวจเอาเองนะแต่ยคงคิดว่าไม่มีนะ ถ้าพวกนี้มาอยู่ด้วยนี่แต่มันก็อยู่ได้นะเพราะว่าได้ฟังเยอะเหมือนกันฟังพุทธพจน์ก็มากบอกสอนเขาก็มากแต่ไม่บรรลุธรรมัรรคผลในชาตินี้ไอ้พวกนี้น่าสงสารที่สุดนะเป็นเหยื่อตกปลาอันนี้ก็หลักวิชาการก็จบลงด้วยประการชนนี้เดี๋ยผมยังพูดไม่จบนะครับขอทนฟังอีกนิดนึงคือคือพวกเรา คือไม่ไม่ค่อยละเอียดบางทีนี่มองข้ามโลกียทรัพ์มองข้ามทุนนิยมอย่าลืมนะว่าคนที่จะมีทุนมากเนี่ยทางทุนนิยมเนี่นะเขาต้องเป็นคนที่โลกาวิทูมากเป็นคนที่มีการศึกษามากเขาถึงจะหาโลกียทรัพ์ได้มากพวกนี้นะเป็นคนที่ประหยัดสุด เหมือนที่ว่าผมมาอยู่ในนี้ที่บอกว่าเฮ้ยอย่าทําเลยบัญชีเนี่ยนะมันยุ่งยากหารู้ไหมว่าการทําบัญชีเนี่ยจะรู้ว่าไอ้นี้มันหล่นไปตรงไหนขาดตรงไหนเกินตรงไหนอะไรครบไม่ครบอันนี้เลคือการสร้างโลกียทรัพย์ถ้าเราไม่ทําตรงนี้นี่นะต่อไปเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะสร้างโล ก, กุตระทรั์เลยถ้าเราไม่มีทุนนี่นะโอกาสจะทําบุญของเราก็ไม่มีเลย เพราะเรานี่เป็นคนโลกีมาก่อนเราต้องหาโลกียทรัพย์ให้ได้โดยโลกาวิทูแล้วต่อไปนี่ยนะเราค่อยเอาโลกียทรัพย์ของเราเนี่ยนะมาทําบุญเปลี่ยนเป็นโลกุตระรัพย์คนเรานี่ยนะมันจะต้องมีทั้งสองอย่างเขาเรียกว่ามีโลกียสัพย์ได้เพราะโลกาวิทูเสร็จแล้วก็มีโลกุตระรัพย์ก็โลกาวิทูก็ต้องใช้อยู่ แต่ว่าสองอย่างนี่นะมันจะเป็นโลกาโุกัมปายะโลกียรัพ์เอาโลกยศัพ์มาบวกด้วยโลกาโลกุตระรัพมันก็เขาเรียกว่ามันจะเป็นโลกาโุกัมปายะจะช่วยเหลือโลกได้ถ้าเราขาดอย่างหนึ่งอย่างใดนี่นะมันจะโลกาโนกัมปายะไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่ได้ถ้าเราไม่มีทั้งสองอย่าง อย่างแรกเนี่ยต้องมีโลกียทรัพย์ก่อนโดยโลกาวิทูโดยประหยัดสุดแต่โลกุตระซัพย์นี่ยนะมันประโยชน์สูงประโยชน์สูงสุดแต่ตัวประหยัดสุดนี่โลกียทรัพบเนี่ยพอมารวมกันแล้วมันถึงจะโลกานุ ก, กปายะได้มันต้องใช้ทั้งคู่เราอย่าไปใช้แบบหลักการฤลสีโลสีนี่ไม่มีสักอย่างเดียวโลกียทรัพย์ก็ไม่มีเพราะไม่มีโลกาวิทูโลสี โลกุตะระทรัพย์อย่าไปผู้ังว่ามันไม่มีไอ้พวกนี้เกิดมาศูญเปล่าอ่ะเกิดมาศูญเปล่าพวกนี้ผู้เจ้าเรียกหมู่ข้าบุรุษและศาสนาพุทธเราเนี่ยมันเกิดกลางลงโรศีพวกนี้เนี่ยมันก็เลยป่าปนมาในพวกเราเยอะพวกเราต้องเข้าใจตัวนี้อย่างที่ว่าเนี่ยพวกโรศีโลกิโรคโรศีนี่มันครองโลกอยู่แล้วครับพ่อขอพูดแค่นี้แหละครับขอบคุณมาก จะขอสอัมานาสิกรรมากมาแล้วกันสิกรรมารจะช่วยสรุปไหมสิกรรมารมกรับขอ้อการท่านสมณะเตบุโสค่ ะ, จะเจริญธรรมชาวบุญนิยมทุกๆคนนะคะค่ะจังหวัดอุบลนี้เขาเรียกเราว่าชาวบุญนิยมจริงๆนะคะ ขณะพี่สาวอยู่ที่บ้านานานๆมาซื้อของที่อุทยานทีเขาจะโทรมาบอกว่าเออวันนี้ไปที่บุญนิยมมานะคําว่าอุทยานเขาจะไม่พูดถึงกันเลยนะคะยิ่งจะชัดเจนมากตอนด้านหน้าเทศกาลกินเจนเวลาเราไปบินทบาทโยมที่เขาใส่บาตรล้วเขาจะบอกว่าไปกินมาแล้วอาหารเจที่บุญนิยมอะไรเงี้ยน ะ, ะเป็นคําฮิตติดปากที่เขาเรียกเราเป็นชาวบุญนิยมจริงๆนะคะถาวันนี้ก็ประทับใจนะที่ สิ่งที่ท่านเดินดินฝากข้อคิดกับเรานะมีความรู้สึกมันเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิบัติธรรมจริงๆนะคะสหลักนีค่คือหลักของการอ่านใจแล้วก็การเข้าใจคนอื่นถ้าเราจับหลัก2หลักนี้ได้นี่มันจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้ไวในคำรู้ส่งตัวเองนะคะอย่างข้อแรกนีออ่อย่างเวลาเราเจอผัสสะ ป, ปุ๊บนี่ใช่ไหาถ้าเราปังครั้งแล้วก็จะมาออกนอกตัว บางครั้งเราก็จะกดข่มกิเลสไว้พอเราข่มกิเลสไว้ทําเป็นลืมๆเลยไปกิเลสไม่ได้พักยกพอเจอผัสสะอีกมันจะแรงมากกว่าเก่าเพราะากิเลสมันได้ฟักตัวนะยิ่งถ้าเราสั่งถ้าเราทําบ่อยนี่ปล่อยให้มันข้ามผ่านผ่านไปเฉยๆโดยที่ไม่ไปอ่านจิตตาไม่ได้ไปตามอ่านจิตอ่านอารมณ์นี่มันก็จะพักยกบ่อยพักยกถี่ขึ้นะนะคะอย่างที่คุณคุณพึ่งบุญเขาเจอนะคะถ้าเขาตามรู้ตามอ่านอารมณ์อ่านวิถีนาที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ย ความทุกข์ก็จะมันก็จะจัดการกับทุกข์ได้ไวขึ้นน่ะนะคะเกรย์อคือประทับใจตรงที่ว่าคือที่เราฟังธรรมะขั้นลึกๆละเอียดที่จากพครูนี่ถ้าเราไม่จับหลักสอ ง, สองหลักเนี่ยเราก็คงจะก้าวไม่ข้ามสักทีเรื่องของความทุกข์กันนะคะอีกประเด็นในเรื่องของการเข้าใจคนอื่นนี่คือบางทีถ้าเราถ้าเรามองอย่างอย่างเพ่งโทษคนอื่นนี่ยมันก็จะทุกข์ทุรนทุรายนะคะยัยนึกถึงสภาพเมื่อก่อนนี้เคย เคยเจอกับตัวเองครั้งหนึ่งนะคะเมื่อหลาย10ปีมาแล้วนะส0บยบปีมาแล้วเนี่ยจัดงานยูพุทธที่ปฐมโศกเนี่ย เ, เด็กมาเข้าค่ายสี่0้าร้อยคนเราก็ดําเนินการประชุมมีวันหนึ่งมันจะมีเวลาประชุมน้อยมากประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งครูที่มาร่วมร่วมช่วยงานยุพุทนี้ก็จะเป็นครูที่ส่วนใหญ่ก่อนประชุมอาจารย์หนึ่งท่านก็จะเทศดังนั้นก็บอกเปิดประชุมว่าวันนี้มีเวลาน้อยนะขอให้เราแม่นประเด็นนะกระชับแม่นประเด็น เชื่อไหมคะเราฟังแค่นี้ว่าให้กระชับแม่นประเด็นดินคิดแล้วท่านว่าเราท่านว่าเรานะฮะทำไมบอว่าเราก็เราเตรียมการอย่างดีนะีเราดำเนินการประชุมนะเราเตรียมการทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะฮะเพราะเรารู้ว่ามีเวลาจํากัดครึ่งชั่วโมงนี่เพียงคําพูดเพียงแค่นี้เราก็เพ่งโทษท่านว่าเราท่านว่าเราพอใจเราคิดอย่างนี้เราก็ทําหน้าที่ที่กระชักกบชกระชากถามว่างานสําเร็จไหมงานสําเร็จหันแต่ความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาเลย สุดท้ายก็เลยไปกราบท่านทินพอจบจบประชุมแล้วนี้ก็เลยได้ไปกราบขอโทษ ท, ท่านท่านทิ้นกลับขออภัยนะคะฉันเพียงโทษท่านว่ายินรู้สึวท่านว่าดิฉันนะฮะบอกอย่างนี้นั้นบอกว่าอาตมาไม่ได้นึกถึงคุณเลยนะคะอาตมาจะช่วยคุณเพราะครูนี้คือเหตุผลเยอะนะคะในเมื่อเรามีเวลาจํากัดเพื่อที่พูดออกไปเพื่อที่ว่าจะช่วยคุณไม่ได้ว่าคุณเสนาไม่ได้คิดว่าเลย เราก็รู้สึกโหนละอายมากเลยนะคะคือมันเหมือนกับว่าเราให้ความสำคัญกับตัวเราเองมากเกินไปว่าใครมาว่าเราไม่ได้นะติเราไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้นะจากเหตุการณ์วันนั้นทำให้รู้สึกจํามากเลยนะคะคือไม่กล้าที่จะไปสรุปคนอื่นว่าเขาว่าเราเหมือนที่ท่านเดินดินท่านท่านสอนเราสองข้อนี้นะค ะ, ะท่านว่าเราหรือเปล่าท่านว่าเราหรือเปล่านี่ <c oughs> คือไม่กล้าคิดเพราะมีความรู้สึกว่าแล้วเราเป็นอย่างที่ท่านพูดไหมล่ะอันอยงข้อที่1ให้อ่านใจเราเป็นไหมจำรับว่าบางครั้งเราเผลนเผลอไหมคะ เราเพลินแล้วไม่ไอ่านอย่างจริงจังหรอกยิ่งมาฟังพระครูพูดถึงเรื่องลึศีกับพุทธานี่โอ้โหมันมันคาบเกี่ยวกันมากเลยนะคะคือถ้าพุทธานี่ต้องไปอ่านตามรู้ตามอ่านเวทานาในใจเราใช่ไหมคะถ้าลึศีก็จะกดข่มไว้กดข่มมันไว้ไม่ไปดูไปรู้มันโอ้โหอย่าเน้กว่าเราเรามาเรียนธรรมะชั้นสูงแล้วก็เราปฏิบัติสายมากองแปดสายพุทธานี่มันมันมันมันก้ามกึ่งมากเลยนะคะหรือว่าข้อที่สองที่ท่านให้เราพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นนี่ เวลาเจอผัด ส, สาปุ๊บถ้าเรามองเข้าหาตัวเราเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดนะรู้สึญญวันนี้เป็นเป็นประโยคทองเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่ท่านได้นำสองสองข้อนี้มาย้ำเตือนกับพวกเราเพราะว่าคือถ้าเราจับหลักไม่ถูกเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดจากการปฏิบัติธรรมพลาดจากธรรมะ ข, ขั้นสูงอะนะคะก็จะเป็นไปได้ยากมาอันนี้เตือนตัวเองนะคะคงฝากแค่นี้ค่ะสาธุท่านได้มไม่ได้ฟังนะ ก็งั้นก็สรุปมาแล้วกันว่าวันวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการชุมนุมที่ที่เล่าเรื่องการชุมนุมอธิมาเห็นอย่างหนึ่งว่าตอนเราชุมนุมกับพันธมิตรเนี่ยพันธมิตรกันเน้นเรื่องการปฏิรูปดูเหมือนเขาวางแผนเรื่องการปฏิรูปเนี่ยเกือบสองปีนะแล้วพอมากรปปสเนี่ย กบพสก็พยายามที่จะวางแผนเรื่องการปฏิรูปเนี่ยอาจไม่ถึงปีนะแต่ก็ยาวเหมือนกันแต่ก็เป็นความจําเป็นของเขานะคือไม่ได้พูดไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเขาทาไม่ดีเพราะว่ามันมันก็ต้องให้คนมีทิศทางแต่อยากจะอยากจะอยากให้เห็นว่าที่ที่วางแผนวางแผนกันไว้เนี่ยสุดท้ายพอทหารปฏิบัติปุ๊บที่วางไว้อย่างนั้นนะ ก็าวางไว้สุดท้ายก็เลยต้องวางไว้แล้วเราก็รู้ว่าปร ะ, ประชาชนทำกันเองเนี่ยทำยังไงยังไงก็สู้ทหารเขาไม่ได้ทะะหารเขาจัดการได้เรียบร้อยได้ลงตัวจะจัดคนนั้นย้ายคนนี้เอาคนนั้นออกเอาคนนี้เข้าเราไม่ได้เสียเลือดทักหยดนึงเลยเนี่ยยังไงยังไงก็สู้ทหารไม่ได้ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วอาตอมารู้สึกว่า ถึงที่พ่อกูพาเราทําเนี่ยท่านยิ่งเราอยู่บ้านลาดเนี่ยใครวางแผนเก่งยังไงก็เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวน้ํามาเดี๋ยวน้ําลดเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ ย, ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปเทเวลาตรงนั้นมากแต่สิ่งที่เราต้องทุ่มเทให้มากก็คือว่าต้องไม่ลืมเป้าหมายชีวิตของเรานะเป้าหมายชีวิตของเราอย่างน้อยก็สองข้อนี่นะคือพยายามอ่านใจตัวเองพยายามเข้าใจคนอื่น เราฟังเมื่อกี้เนี่ยคนนั้นสรุปคนนี้สรุปเนี่ยจริงๆแล้วมีภาษาเกิดขึ้นแล้วนะเราบองอะไรมองว่ า, วาคนนี้พูดในข้อท่าคนนั้นพูดข้อท่าลืมข้อหนึ่งไปแล้วลืมข้อสองไปแล้วนะลืมอ่านใจไปแล้วไปคิดถึง ว, ว่าคนนี้พูดอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วนะเวลาชีวิตของเราเนี่ยเสียไปยเยอะอย่างนั้นเราจะต้องไม่ลืมที่เราจะพยายามอ่านใจพยายามที่จะเข้าใจ เวลาเราไปชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยถ้าพ่อครูมีเวลาก็จะเอาพวกเรามาสรุปกันแต่ละคนจิตใจคุณดีขึ้นยังไงจิตใจคุณไดพัฒนาอย่างไงจิตใจคุณได้ประโยชน์อย่างไงพ่อครูคิดว่านี่คือความสาเร็จของการชุมนุมแล้วส่วนข้างนอกไม่เขียวว่ะนะมันก็เป็นไปตามที่พระเจ้าเขาจะกําหนดเองเป็นเรื่องที่คําตอบอยู่ที่พระเจ้าแต่ตัวเราคือทํำข้าพระเจ้าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยให้ดีที่สุดนะเมื่อข้าพระเจ้าดีที่สุดเนี่ย สิ่งที่ดีสุดของข้าพระเจ้าเนี่ยจะรวมกันว่าเป็นพระเจ้าแล้วให้สิ่งที่ดีสุดกับเราเกิดขึ้นนะตวันนี้เราคงพักกันเท่านี้นะขจะเริ่มทำ